เยลิญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งก็มาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาเราก็จะไปเริ่มกับเด็กชายพีเคก่อนชายพีเคราบนามสกันคาา่ะพระอาจารย์อ่าวันนี้ไม่อยู่แล้ว หลับไปแล้วค่ะพระอาจารย์วันนี้ไปสวนสัตว์มาเขาเนื่อยแล้วหลับไปแล้วค่ะญี่ปุ่นวันนี้นนกี่ทุ่มนะห้าทุ่มสี่ทุ่มเออสี่ทุ่มค่ะพระอาจารย์อืมโอเคค่ะวันนี้มา ก, กับสวัสดีปีใหม่พระอาจารย์แล้วค่ะเอ่าสาธุให้สุขใหเจริญสาธุค่ะพระอาจารย์วันนี้ได้นั่งสมาธิกับพระอาจารย์เมื่อตอนสองโงด้วยค่ะเออดี่ไหมดีค่ะพระอาจารย์นั่งฟังไปด้วย แล้วก็เห ม, มือนกับมานั่งเที่ยกุฏิหนกุฏิอีกหใช่ค่ะตอนแรกหนูใส่หูฟังแล้วก็สักพักก็เอาหูฟังออกเรียบดีกว่าแล้วก็ฟังเปิดเสียงแ่บเปิดเสียงบบที่ทใช่ค่ะพระอาจารย์เสียงน้องมีเสียงอะไรเหมือนหน้าฟังหน้ากุฏิเลย<ม>ดีค่ะพระอาจารย์ก็ดีนั่งได้สงบดีค่ะพระอาจารย์นั่งมาสองอาทิตย์แล้วคะ่ะนั่งนั่งนั่งตามพระอาจารย์ในจากในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคะ่ะ อืมค่ะก็ดีพายฝึกปล่อยให้เป็นนิสัยยิ่งท่านยิ่งมากท่าไหร่จิตยิ่งสงบจิตยิ่งเย็นความร่อยความอยากอะไรต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงไปอ่าพระอาจารย์ดีมากมากเลยค่ะพระอาจารย์จะไม่ยู่โเยกับสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเป็นสมถะย่อมง่าย อาย์ต้องต้องเข้ามาฟังพระอาจารย์เบรกไว้ค่ะมาญี่ปุ่นเห็นอันนู้นอันนี้ก็ถูกกว่าที่ไทยเยอะเลยคะ่ะอาจารย์หลายหลหลายหลยยาเสพติดทั้งเลยอันนี้อันนี้รูปเสียงกินรถเสพแล้วก็ติดแล้วก็อยากจะซื้อใหม่เลยให้นู่นกั็ดีนี่ก็ดีไม่ใช่แบเดยมันมันมันให้ความอยู่มความพอกับเราก็แบบไม่เคยมีเลย ค่ะพอาจารย์จริงทุกประการเลยค่ะพอยิ่งไปออกเห็นค่ะพอยิ่งไปออกเห็นแล้วก็โอ๊ยอันนู้นก็อันนี้ก็ดีอันนั้นก็ถูกมีแต่กิเลสเต็มตัวเลยค่ะอ่านั่นแหละนอนนนนกิเลสเราวมันรู้สึกตัวอ่าพระอาจารย์นด้เท่าไหร่ก็ไม่อิมม่อมไม่พอคนทีให้ก้ามอิม่มกันพอแล้วก็ไม่ไม่สนใจค่ะพระอาจารย์วันนี้ได้ ฟังทำมาพะจันทร์เบรกเบรกไปไว้บ้างค่ะให้เรื่องทําบุญอทำ ไ, ไงินมาทําบุญดีว่กบุญเนี่เราจะสะสมอยู่ในใจเราให้ความอิอความสุขกับเราเวลาเราไปเอกจากโรกนี้ไปเราก็มีบุญติดตัวไปด้วยแต่งเงินที่ไปซื้อของฟุ่งเฟยให้มันไม่มีติดไปกับเราอ่าวันนี้ได้ฟังคําถามบั้งคะที่ที่เขาถามว่าอ่าจะ กรวดน้ําหรืออะไรสักอย่างที่บอกว่านึกถึงอะไรแล้วพ้าจะรย์บอกว่าให้นึกถึงเวลาเราทําบุญแล้วเรารู้สึกอะไรนะคะอิ่มใจหรือว่าหรือว่าสบายใจหรือว่าค ะ, ะอันนั้นคือบุญหนูก็อ๋อมันนึกถึงอย่างนี้เองแล้วเวลากรวดน้ําไม่ต้องใช้น้ําก็ได้ออ่าบุญคือความอิ่มใจสุขใจรเราทำแล้วเรามีความสุขใจแล้วก็แบ่งความสุขใจนี้ให้กับผู้รวองรับไปแล้วได้ แม้ว่าเราจะไม่ได้ทําในวันนั้นก็ได้ใช่ไหมคะหมายถึงครั้งไหนที่เราเคยทำบุญแล้วเรารู้สึกว่าเออครั้งนั้นมันอุ่นอิ่มใจแล้วเรารู้สึกอยากจะมันของเก่าไปแล้วมันเป็นความจำไม่ได้ใช่ไหมคะมันต้องแบบต้องเว้นไปนี่ค่ะงั้นก็ไม่ต้องทำบุญแนวของเก่ามาทําทุกวันในวันลีใสเคลนได้ไม่ได้นะคะมันมันเป็นบุญของเราแต่มันไม่มันไม่สดมันไม่มันไม่อุชิตไม่ได้ อ๋อหนูนึกว่าแบบเดินไปเจออะไรนะ่าสงสารน่าสงสารเนี่ยอาทิศบุญให้ไม่ได้นะคะต้องต้องเอาใหม่ๆเอ่ใหม่ๆพัา ะ, ะนั้นให้แผ่เมตต า, าได้อยู่อวังหวังดีเขาได้อยู่หวังว่าเขางแก้วคกรปลอดภัยหวังให้กันน้อยแต่จะให้องาเราเราให้คนที่ตายด้วยสิ่งคนคนเป็นนีให้ให้บุญเวลาคนเป็นก็ให้เงินเขาไปซื้อกับข้าวกินได้ อ่าประธานถ้าท่านทำบุญกับคนไปก็ให้เงินเข้าไปหรือให้ข้าวให้ของเข้าไปอเขาจะได้เกิดความสุขใจขึ้นมาแต่เราไม่สามารถส่งเงินหรือส่งข้าวของมาให้คนตายได้ก็ต้องส่งบุญไปแทนก็ให้ทําบุญใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วก็นึกถึงบุญนั้นส่งให้เขานะคะอใช่ค่ะบุญใหม่กับบุญเก่าไม่เหมือนกันเราไม่เปรียบเทียบด้วยเลยอ่าพระธาน ก็เลยนั่งคิดโอ้อย่างนี้เดี๋ยวต้องนั่งนั่งคิดบุญเก่าๆก็ได้มั้งก็เลยลองถามอาจารย์อีกทีว่ามาดียูใจไหมคะว่าลองดูลองเปรียบเทียบดูวันไหนไม่สบายใจเราเราคิดถึงบุญเก่าๆมันจะช่วยทําให้เราสบายใจขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเราต้องไปทําบุญใหม่ได้ค่ะอาจารย์ให้ว่าอาจารย์ทักกนแข็งแรงนะคะปีใหม่ได้โอเคไปกยับแล้วสวัสดีค ไปที่จะแม้จะที่ ป, ปราบธรรมสการพระอาจารย์ครับตามส่งอภารครับทำงบ้านนะโอเคถ้าเอาเลยครับเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่เป็นไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้เป็นไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายเป็นไม่ได้ เราแต่ละเว้นเป็ น, นตา่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของละของ เ, อเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงพรมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่อ ง, งาัยเราทํกากรรมใดไว้เป็นบุญเป็นบาป เ, เราจะเป็นทา ย, ยาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเราทั้งหลายควรพิจารณายนี้ทุกวันทุกวันเถิดจำไว้นะ อย่าทำบาปทำแต่ บ, บุญนะแล้วก็บุญจะให้ความสุขกับเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ตายไปบุญก็จะพาเราไปสวรรค์ฝันดีเหมือนคนนอนหลับฝันดีต้องกลับมาเกิดใหม่เขจะกลับมาเกิดรวยกวเก่า อ, อย่าพยายทำแต่บุญบาปอย่าทำน ะ, ะบาปเป็นอันตรายเป็ น, นเหมือนเร็งมลงไม่มีใครอยากจะเป็นโรคแมลงใช่ไหม ใช่ครับอืมถ้าเาทำบาปก็จะโดนโรคมะเร็งทางจิตใจใครใ จ, จะทุกข์โอเคส่วนร่างกายนี้เราก็ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยว่ามันไม่สวยไม่งามนะครับมันมีอะไรบ้างล่ะมีผมขนเล็บปันหนังเนื้อเ อ, เอ็นกระดูกเนื้อกระดูกม้ามหอวใจตับ พังผกดไตปอดใส้ใหญ่ใส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าองู่ในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสล็์น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมะเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมะเหลวน้ำตาน้ำมันข้น น้ำเ่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสล็์น้ำดีที่ในสมองศีสษะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตผังผืดตับหัวใจม้ามเงี้นในกระดูกกระดูกเอนเนื้อหนังปันและผลผมไม่สวยงามด้วยร่างกายนี่ <S 1> <S 1> <S 1> <S ใช่ครับไม่สวยครับไม่มีตัวตนะัวหน้า นี่ต่าการทางนิสซอทมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟครับเรียกว่าอนัตตารู ป, ปังอนัตตาร่ออางกายนี้คือรูปเป็นอนัตตาไม่ไม่มีตัวตนครับเป็นเตุ๊กตาตัวหนึ่งตุ๊กตาเป็นตัวตนไหมบาร์บีตุ๊กตาบาร์บีุ้๊กต า, า, ตตาอะแบบเดียวกันร่างกายนี้ก็เหมือนกัน ใ้ที่ uh huh. ทำทเป็นตัวตนเขาเข้าใจใจมาหลงคิดว่าเป็นตัวตนได้ครับ uh huh. อย่าไปหลงตามใจนะใจถูก uh ี huh. ิเลสหลอกให้หลงคิดว่าใจนี้เป็นตัวตนใจนี้เป็นร่างกายครับ uh huh. ใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งเวลาคนตายนี่ก็ปกตาตายไปคนเจ้าของ uh huh. เจ้าของร่างกายนี้ไม่ตาย ของร่างกายกับใจไปรับผลบุญบุผล บ, บากต่อครับอ่าทำไวนะครับมีคำถามอะไรไหมมีค่ะหนูมีนิดนึงค่ะพระอาจารย์เรื่องของวิภาวะตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอนะคะไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บอยากตายทีนี้มันรวมไปถึงอารมณ์ด้วยไหมคะอย่างเช่นเวลาตากระทุ่รูปที่เราไม่ชอบนะคะพระอาจารย์เราเกิดความขุ่นข้องหวองใจทีนี้ แต่เรารู้ว่ามันจะดับไปความรู้สึกเนี่ยตามสติปัญญาที่เรามีถ้ามีมากมันก็ดับเร็วถ้ามีน้อยก็ดับชา้าทีนี้หลังจากนั้นนะคะมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาว่าไม่อยากมีอารมณ์อย่างนั้นเลยไม่อยากทาไมต้องโกรธอีกแล้วทำไมต้องหงุดหงิดอีกแล้วค่ะตัวนี้มันจัดอยู่ในวิภาตันหาไหมคะไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นใช่วิภาวันเหมก็เป็นตันหาแบบหนึง่งซึงถ้าเกิดแล้วมันก็จะทำให้ใจเราทุกข์ขึ้นมา งั้นบางทีเราเจออารมณ์ไม่ดีเราก็ต้องยอมรับว่าใจมันก็เหมือนดินฟ้าอากาศโอ้ใช่บางวันก็อากาศดีบางวันก็อาการามาไม่ดีคร<ฮ>ับเราไปสั่งให้ดินฟ้าอากาศไม่ได้เราก็ไปสั่งอารมณ์ใจไม่ได้อืมค่ะค่เราอย่าไปทุกข์กับมันค่ะที่เราทุกข์เพราะว่าเราเกิดความไม่ความไม่อยาก <C Rud d> ความอยาก ใ, <ช>ให้มันไม่<ช>ไม่เกิดใช่ความอยากให้มันหายไปก็เหมือนกับเวทนากับทุกข์กัเวทนาตัวเดียวกัน เวลาเราเจ็บเราก็อยากจะให้มันหายอยากจะให้ไม่เกิดมันก็เลยทำให้เราทุกข์กับความเจ็บถ้าเราไม่ไปอยากมันปล่อยให้มันมามันไปตามเรื่องของมันเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเจ็บก็รู้ว่าเจ็บเราไม่ได้เป็นผู้เจ็บผู้เจ็บก็คือร่างกายร่างกายเขาก็ไม่เดือดร้อนก็เฉยเราไม่ได้ผู้เจ็บเราก็ไปเดือนร้อนแทน นั่งกายก็ทําไมเราก็เฉยใจก็เหมือนกันอารมณ์ของใจมันก็มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วแต่เหตุปัจจัยเราก็ควบคุมบังคับไม่ได้แต่เราสามารถทําใจไม่ให้ทุกข์กับมันได้มีโมเบขามีปัญญาเห็นว่าเป็นอนาัตตาคเหมือนดินฟ้าอากาศเราควบคุมบังคับไม่ได้ แต่เะไปยินละไม่พอใจกับมันไม่อยากให้มันเกิดเวลามันเกิดเราก็จะทุกข์จะเครียดขึ้นมาคแต่ถ้าเรายอมรับว่าเกิดก็เกิดห้ามมันไม่ได้อยู่กับมันไปอยู่กับมันได้ก็ไม่ทุกข์เข้าใจยังเข้าใจค่ะคือบางทีมันมีความรู้สึกแบบอ่านก็เยอะฟังก็เยอะปฏิบัติตั้งขนาดนี้แล้วเอ้ยทําไมยังรู้สึกแบบนี้อีกนะอะไรอย่างเนี้ย มันตรงข้างกับภาวะตัณหาภาวะตัณหาอยางให้มันมีแต่ความสุขอยากให้สุขพอไม่สุขก็ทุกข์อีกเหมือนกันอยากไม่ให้มันอยากให้มันไม่ทุกข์พอมันทุกข์ก็ก็ทุกข์อีกเหมือนกันงอย่างประหยัดต้งของตัวนี้เฉยเฉยยินดีตามมีตามเกิดย่สันโดที่คอยสอนอยู่ให้เลยยินดีตามมีตามเกิดอารมณ์ดีก็ได้อารมณ์เสียก็ได้ ให้รู้ทานมันก็้ววางเฉยอย่าไ ป, อย า, ไปอยากให้มันไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ขึ้นมาออยากแล้วมันจะทุกข์มันจะเคียดถ้าไม่อยากเฉยๆอย่๋ยวั้นมันก็ผ่านไปบางทีเรามาแป๊บเดียวแล้วมันก็ไปแนละ้วถ้าเราไม่ไปยุ่งมันเข้าใจนะคะให้ปล่อยวางทุกอย่างเป็นตายรหมดอันนี้จังทุกขังอนัตตา โอเคอ่านช่องใจได้ใช่ไหมรย์หมดแล้วใช่ไหมคำถามหมดแล้วครับโอเคไอทีแม่น้องพี่ตอบขอบคุณอาจารย์ครับวันนี้น้องพี่มาด้วยเปล่าการนมัสการเจ้าขังไม่ได้มาค่ะพอดีว่าไปอยู่บ้านคุณยายกับอ้านพี่สาวะค่ะพิทเติมค่ะก็ เดี๋ยววันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยค่ะก็ได้ไปไปเข้าแคมป์ที่ที่ดันรุนแล้วค่ะอดีได้เปลี่ยนตรงนี้นะค่ะได้เปลี่ยนแล้วค่ะก็ช่วงนี้ก็คือจะมีไปเข้าแคมป์ก่อนแล้วเปิดเทอมก็ประมาณเดือนพฤษภาประมาณไปลายปลายเดือนพฤษภาเท่า้นคะ่ะแล้ก็ไมอไ่อย่าไปอย่าไปวาดความฝันความจริงของความฝันมันไม่ไมัน ไ, ไม่เหมือนกัน ว่าอย่างนั้นพอไปเจอมันไรเจียแบบนี้จะผิดหวังอค่ะค่ะไม่มีอะไรแน่นอนค่ะทำใจอืมค่ะก็ก็เขาก็ดีใจนะคะว่าที่ที่จะได้จะได้เข้าจะได้เข้าไปเรียนที่นี่เพราะว่าอาจจะได้ทำกิจกรรมหาชอบก็รอดูไปก่อนยังไปไม่เต็มแล้วชอบซะก่อนนะ ไม่เจอของที่ไม่ชอบเขาจะจะทำไงหาทางอไม่ได้ใช่ค่ะแต่ก็ก็ก็เคยไปดูตัวอย่างแล้วนะคะอไปดูตัวอย่างกนตัวอย่างตัวจริงยังไม่เจอเดี๋ยววันที่เส็เนี่ยค่ะผมก็มีโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมายเลยค่ะว่าจะทํำนู่นจะทํานี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอก็เลยบอกให้จดไว้เขาบอกว่าไม่ต้องจดเราอยู่ในหัวหนูหมดแล้วตอนนี้กําลัง กำลังกำลังโซนกำลังกำลังเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วค่ะกำลังเริ่มแบบเสียงแตกแล้วค่ะตอนนี้หนุ่มกำลังเริ่มปวดหัวปวดหัวก็เตงไม่พอปวดหัวก็ลูกด้วยก็ต้องมาย ก, ก็เป็นอ น, นิจจมเขาก็เปลี่ยนไปตามเวลา อ, อ น, นัตตาอางที่เราควบคุมเขาไม่ได้ถ้าไม่อยากควบคุมเขากา็จะทำให้ทุกข์ได้ เราควบคุมเขไม่ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้พี่เมื่อกี้ที่พี่เขาถามมาหลวงพ่อก็ก็ก็ก็ตอบมาหนูก็เป็นเป็นเป็นคําตอบหนูพอดีอะค่ะอืเป็นคําตอบหนูพอดีเลยที่ที่ที่อยากจะทราบก็คือก็ปล่อยตัวอย่างให้มันผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องไปยึดติดเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวมันก็ก็จะจากเราไปเองไม่ว่าจะสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีมันก็มีทั้งทั้งทุกข์แล้วก็ทั้งสุขเข้ามาในชีวิต อืมค่ะไม่มีอะไรอยู่กับเราถาวรทุกอย่างเอ่าแล้วก็คง ม, มันเข้ามันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ใช่ส่งให้มีแต่ของดีเข้ามาอย่างเดียวไม่ได้ใช่ค่ะอืมก็ทุกข์ก็มากกว่าสุขนะคะหลวงพ่อยาามถ้ามีความอยากก็จะทุกข์ามากกว่าสุขจริงค่ะคนก็คนเกิดมาก็มีกรรมกันทั้งนั้นนะคะสลวงพ่ออยู่ที่ว่า อยู่ที่ว่าใครจะทําใจได้มากกว่ากันใช่ถ้าจําใจได้แล้วจะทุกน้อยกว่าคนที่ทําใจไม่ได้ก็จะทุกมากกว่าตน้ตนหลายโลกก็ทไม่เจริญมีเสือ่อมไม่สุขม่ทุกสำหรับกันไปอ หลวงพ่อคะหนมูมีเรื่องจะเรียนสอบถามหลวงพ่อคะ่ะอย่งางแบบพระปฏิบัติที่แบบพระป่าอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่ท่านไปปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเวลานั่งสมาธิเอ่อลึกๆเข้าไปแล้วว่ามีเสียงเข้ามารบกวนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไปตอบโต้แบบนี้ค่ะเราจะทํายังไงอะคะหลวงพ่อไม่ไปสนใจให้อยู่พุโทโธไปอยู่กกรรมฐ า, านไป อ้ไพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปถ้าดูลมก็ดูลมไปอะไรเข้ามาก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วมันก็หายไปเองถ้าเราไปยุ่งกับมันเราเดี๋ยวก็จะหลงไปเล่นกับมันไปดีใจไปเสียใจกับมันขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าหลงไปในทางนั้นจะเราจะทำยังไงคะเรากกลักบเดินกลับมาหาพุโทโธไปนั่งสมาธิต้องผูกใจไว้อยู่กับพุโทโธนั่งอยู่กับลมหายใจ อย่าป่อให้มันเตลิดไปิดปลี่ยนไปกับอารมณ์หนักต่างที่เข้ามา อ, าอคนที่ไปคนที่นั่งสมาธิถ้าไม่มีหลักไม่มีคนสอนหลักเนี่ยพอนั่งก็คิดว่านั่งไปเฉยๆอะไรมาก็ตามรู้สามรู้ไปแล้วห่ะตายเป็นเสียสติได้บางที อ, อ, อย่าไปตามรู้ยังไปสนใจอะไรที่ปรากฏขึ้นมา เี๋ยวมันมาหลอกแล้วว่าเราเป็นเทวดาเป็นเทพชื่อนั้นชื่อนี้ชาติก่อนเคยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นมาใช่ค่ะเอแล้วถ้าเกิดว่าตามตามไปแล้วไปเป็นอย่างนั้นแล้วแล้วเราจะดึงกลับมายังไงคะหลวงพ่อใช่พุทโธบริกรรมพูทโธนึงครับแล้ก็ยังนั่งสมาธิได้อยู่ก็ไม่ต้องสนใจถ้าถ้าดึงกลับไม่ได้ก็เลิกเก็ออกจากสมาธิไปหยุดไปก่อนหยุดไปก่อนเลยจนกว่าจะไม่มี เสียงระหว่างวันหรืออะไรแล้วค่อยมาปฏิบัติใหม่ใช่ไหมคะก็ไม่ต้องหรอกถ้าอยากจะให้มันเราถ้ามันจะมาเราก็ห้ามมันไม่ได้แต่เราสามารถปฏิบัติกับมันได้คือไม่ไปยุ่งกับมันมันก็ปล่อยมันมาเราก็อยู่กับพุทโธเราไปต่างฝ่ายต่างอยู่กันเราอยู่กับพุทโธเขามาก็ปล่อยเขามาไปอันนั้นคือเขามาแล้วก็ไปชอบไปเล่นกับเขาด้วยไม่อยู่กับพุทโธค่ะ ก็ต้องยึดพุโทโธไว้ในใจตอใช่นั่งสมาธิต้องมีกรรมฐานเป็นหลักยึ ด, ยดจิตใจคือหนูอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเวลาหนูนั่งสมาธิค่ะนั่งนั่งไปซักระยะหนึ่งค่ะพุโทโธพุธโทโธก็จะหายไปแล้วมันก็จะนิ่งแล้วมันก็จะติ่งอยู่แบบนั้นตลอดจนจนบางทีหนูก็ต้องแบบก็ต้องถอยออกมาบางทีก็นั่งเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะมันก็ ถ้ามันมันนั่งแบบมีความสุขหรือไม่ถ้ามีความสุขมันก็ก็เป็นสมาธิถ้ายังไม่มีความสุขมันก็ยังไม่เป็นสมาธิมีมีความสุขค่ะแต่หลวงพ่อเคยบอกว่าหนูนั่งแล้วถ้ามีความสุขมากมันก็ติดสุขมันก็จะไม่ดีดใช่ไหมคะดีดีก็นั่งสมาธิเพื่อให้มันมีความสุข อ, อ๋อสุขแบบนี้มันไม่เป็นพิศเป็นภัยอือสุขแบบดูหนังพองเพลอ ง, องเป็นพพศเป็นภัยค่ะอย่าเป็นติดสุขแบบนั้นติดสมาธิได้เพียงแต่ว่า ถึงเวลาหนึ่งเราต้องเคลื่อนไปทางปัญญาเราก็ต้องสลับกับการเข้าสมาธิไม่ให้ทําแต่สมาธิอย่างเดียวเราอย่างเวลาเรานั่งสมาธิเสร็จแล้วเราจะเจริญปัญญาโดยการที่เรานึกถึงในสิ่งที่ที่ที่เราเห็นที่เราได้ยินที่ผ่านมาแบบนี้เหรอไม่ใช่ยังเวลาอยู่ในสมาธิไม่ไ ม, ไม่ไม่เจริญปัญญาเราให้ออกจากสมาธิก่อนค่ะ เอาสมาธิกา้มาดูพิจารณาตายรักว่ามีอะไรมากที่ไม่เที่ยงมีอะไรมากที่เข้าของเงินทองเที่ยงไม่แน่นอนไหมลูกเราเที่ยงแท้แน่นอนแล้วเปล่ า, าดูทุกอย่างตัวเราร่างกายเรามันเป็นเที่ยงว่ามันไม่เที่ยงพิจารณาอนิจจังให้เห็นันทุกอย่างเป็นสัพปเพ อ, อนิจจาสั ป, ปสังฆารานิจจาสังฐานทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง ก็คืออาจจะแบบพิจารณาตั้งแต่เช้าจดเย็นว่าเออ่ในระหว่างวันเราทําอะไรมาบ้างอะไรแบบนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ไปคิดถึงอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเสียงก็มาก็ถามว่ามันเป็นอนิจจังหรือไม่เห็นรูปนี้มันเป็นอนิจจังหรือไม่เอาแบบสดๆน้อยๆเสียงด่าก็มานี่เป็นอนิจจังหรือเปล่าอืมันเป็นอนิจจังแล้วก็ปล่อนมันเป็นอนิจจังไปมันด่าเพวกมันก็หายไปแล้วแต่เราไปดึงกลับมา มันก็เลยทำให้เราเป็นทุกข์อ่าเพราะเราไม่อยากยิ่งคิดถึง ม, มันยิ่งทำให้เราทุกข์ใหญ่มันด่าแล้วก็ปล่อมันด่าไปมันก็ผอา ร, ปรไปแล้วมันเป็นหน้าตาเราก็ควบคุมมันไม่ได้สิ่งต่างๆที่เข้ามาให้เรารับรู้เนี่ยมันเราไปสั่งไม่ได้ว่าเอาแต่สิ่งดีๆนะให้มีแต่คาชมนะคดาด่าอย่าไม่เอานะเงินทองก็มีแต่เข้ามานะอย่าอย่าออกไปนะ มันสั่งไม่ได้เก็สในพิจารณาปัญญาพิจารณนิจกรรมอนัตตาเมื่อเห็นมันเป็นอนิจจ์อนัตตาเร า, เนน จ, ตตาจะได้ไม่ทุกข์กับมันเราจะได้ไม่ปไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็เป็นช่วงเข้าไวท์ท้องด้วยฮอร์โรมนหนูก็แป่นเยอะด้วยร่างกายก็กเป็นอย่างนี้เะมันเป็นนิจจ์ใช่ไใช่ค่ะก็ให้เมตนาเมตนาที่มาทางร่างกายก็เปลี่ยนไป เดี๋ยวนี้ก็มีเจ็บมากขึ้นเรื่องอารมณ์ก็มีมีอารมณ์เสียมากขึ้นกับอารมณ์ดีเ<ฆ>นี่ยมันก็ทุกอย่างก็เป็นตายรักหมดพิจารณาแล้วก็<ฆ>อย่าไปอยากให้มันเป็นตามใจอยากของเราใจขอาอยากให้มันดีอย่างเดียวอยากอารมณ์ดีอยากได้ทุกอย่างดีหมดอืแต่เราก็คุมบงังคับสั่งมันไม่ได้อเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติของรางาย ทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราต้องหัดปรับใจรับกับมันไปอ่าทีสุขพวกนี้ทุกแล้วเจอทุกก็ต้องรับกับมันไปเหมือนกับตอนที่เราเจอสุขเพราเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกผ่านไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาสุขใหม่เมื่เปลีวว่ยนไปเปลี่ยนหนาย่าําสุขทุกสลับกันไปอยู่เรื่อยๆใช่คะ่ะถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่เราก็ไม่วุ่นวาย แต่เรามักจะวุ่นวายเพราะราอยากให้มันสุขอย่างเดียวไม่อยากให้มันทุกข์ค่ะใช่ค่ะนี่ปัญญาพิจารณาตายรักทุกอย่างเป็นตายรักหมด น, นี่จำทุกขังงนะตาปล่อยวางพิจารณาเพื่อปล่อยวางอย่าปรยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ค <c oughs> ือให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันค่ะใครจะด่าก็ปล่อยก็ด่าไปนห้ามก็ไม่ได้ใครจะชมมันก็ปล่อยก็ชมไป ใครจะอิช้าก็ปล่อยให้อิจฉาไปใครจะไม่ตายก็ ก, ก็ดีไปใครจะโหดร้ายทารุณก็ก็ปล่อยไปแล้วห้ามันไม่ได้ถ้าใจแเราเข้าใจปล่อยวางใจเราจะไม่ทุกข์กับ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดีแล้วฝ่ายไม่กดังต <c oughs> อนนี้เราทุกข์เพราะเราอยากจะได้แต่ฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีอยากไม่อยากให้มันมา เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวก็ปวดตรงนั้นปวดตรงนี้เดี๋ยวต้องมีอาการปวดฟันบ้างปวดหัวบ้างปวดอืมเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่เดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวอ่าเอาไปยังไม่มาเนยมันก็ยังมันนั่นมันทุกข์ก่อนที่มันมาแล้วเพียงแต่คิดถึงมันก็ทุกข์แลเออแล้วแล้วอย่างถ้าเกิดเราอ่านธรรมะอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ออย่างบางทีหนูอ่านธรรมะหลวงพ่อเสร็จแล้วหนูก็ อ่านแล้วก็หนูก็ทําความเข้าใจนี่มันแปลว่าเป็นการเจริญปัญญาอีกด้วยเหมือน <ข Ooh. S 2> กันเป็นการเรียนรู้สิ่งที่เราอ่านเนี่ยสิ่งที่เราอ่านมันมีหลายหลายเรื่องหลายราวที่มันจะเสริมให้เรามีความเข้าเข้าใจเกีย่ยวกับเรื่องธรรมะให้มากขึ้นก็ทําให้เรามีปัญญาเพิ่มมากขึ้นอาจจะอาจจะเข้าใจถ้าถ้าถ้าอ่านเรื่อง บุญบาบแล้วก็จะเข้าใจออกบุญบาบมันมีผลต่อจิตใจของเรานะทำบุญแล้วจิตใจเรามีความสุขนะทำบาบแล้วจิตใจเราจะมีความทุกข์นะหูว่านึกถึงหลวงพ่อ่าเลยถ้เราไม่มีปัญญาแล้วก็อ่านไปก่อนเรียนรู้ไปก่อนอถ้าเรามีปัญญาเราเราสามารถเรามาใช้กับเหตุการณ์ในปัจจุบันได้ก็เอามาใช้ ปัญญาที่จะใช้กับการปัจจุบันก็คือตายรักนี่แหละเห็นทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเราควบคุมมันไม่ได้อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้ยินดีกับกับมันมันมาแบบนั้นก็ยินดีกับมันด่าก็ยินดีชมก็ยินดีเกลียดก็ยินดีใครก็จะเป็นไงก็ยินดีเลืยเฉยไปสักแต่ว่ารู้ไปค่ะใจเราจะไม่ทุก หไปเองเราห้ามเขาไม่ได้นาสั่งเขาไม่ได้แต่าทาใจยากเร <c oughs> าเนี่ยเรายากตัเรายังชอบแต่ของดีของไม่ดีไม่เอาจริงหนูอะ่ะหนูเป็นคนไม่ค่อยเผือเจ้าบ้านเวลาใครชมเหมือนแบบว่าเวลาคนชมแล้วเหมือนแบบเราก็มองอคนอื่นเขาก็ทำได้ไม่ต้องชมเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็ มันไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านก็ดีไม่ยินดีก็ด right? ีไปอ่าแล้เวลาเขาด่าเขาด่าเหมือนชาวบ้านหรือเปล่าโอเวลาเขาด่าก็ด่าไม่เหมือนชาวบ้านเรเหมือนชาวบ้านหรือเปล่าชาวบ้านก็โกรธที่เขาโกรธไม่เ่าก็มีโกรธบ้างค่ะแต่บางทีก็ยังเหมือนชาวบ้านอยู่เลยก็เห็นแต่บางทีก็มานั่งย้อนคิดว่าอืมเออเขาพูดมันก็จริงนะอะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็จริงนะเราก็เออพิจารณาเออว่า ว่าสิ่งที่เขาพูดก็เออมันเออมันก็ผิดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขแต่บางทีก็อาจจะแบบว่ามันก็อาจจะแบบดื้อบ้างว่ามันใช่เหรอมันจริงเหรออะไรเงี้ยถ้ า, <ร>าถ้ า, ถาไม่จริงถ้าไม่จริงเราจะโกรธเขาไหมล่ะมันกลว่าเราควายเงี้ยเราจะโกรธเขาบปล่าเราเราเป็นเราเป็นควายเปล่าไอได้ขึ้นไปโกรธเขาไมอ่ะค่ะ ใช่ไมใช่ใช่นั่นแหละเราต้องไม่โกรธเราต้องเฉยเฉถ้าเขาว่าเราแล้ว เ, เราเป็นจริงท่านได้ว่าเราต้องยกมือไหว้เขาขอบใจอ๋อเราไม่ดีบางทีเขาก็เป็นเั้นกระจกเขาบอกเราให้เลยเห็นว่าเราไม่ดีขี้เกียร์อย่างนี้แสดงว่าเราขี้เกียร์เราแบบพิจารณาความจริงเราก็ขี้เกียร์เองนะเราต้องขอบใจเขาอย่างนี้เป็นเหมือนชี้ข้อบอกพร่องให้กับเรา เพราธรรมดาเราจะจะมองข้ามสิ่งที่บกพร่องของเราไปเราไม่ชอบมองส่วนเสียของเราเราชอบมองแต่ส่วนดีใช่ใช่ครูบาอาจารย์เคยเคยเคยสอนมาอยู่ตลอดว่าเนี่ยนิ้วชี้อ่ะชอบอชี้ว่าเด็กคนอื่นไม่เคยชี้ว่าตัวตัวเองใช่ตัวเองไม่แต่ชมอย่างเดียวฉันดีฉันดีอย่างนี้มีคนเ ช, ชอาถามคำถานด้วยผมทำบุญต้องเยอะแยะทํำไมไม่ได้แต่สิ่งนี้ไม่ดีไม่งาม <c oughs> ให้เวลาทําบาปม่นจาไม่ได้เลย <c oughs> จริงค่ะจริงค่ะแล้วก็ก็ดีนะคะฟังวันนี้ฟังหลวงพ่อก็ได้มีกำลังใจขึ้นเยอะเลยคือที่ผ่านมาคือร่างกายหนูก็เขาเรียกไม่ค่อยปกติเท่าไหร่มันเป็นสภาวะช่วงวัยทองด้วยค่ะมันก็เลยแบบว่ามันจะร้อนมุ่ว่ามันก็ต้องมากมันมัน ม, มันเป็นอย่างนี้แหละ ใช่ค่ะใช่ก็เพิ่งไปแอดแอดมิดโรงพยาบาลมาด้วยก็ได้เน่ยทำได้หรือเป่าทำอะไรได้ป่ะมันก็ทําไม่ได้อย่างนี้ค่ะหมออาจจะให้ยามากินช่วยปรับหน่วยก็ได้ใช่ค่ะก็ต้องทานยาปรับฮอร์โมนแล้วก็คุณหมอก็ให้กินยาให้แบบว่าให้ผ่อนคลายสมองที่มันแบบมันตึงเครียดอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบสะสมมานานแล้วพอมันเริ่มไวท์ทองมันก็แบบว่าแล้วพอเราปฏิบัติด้วยเราปฏิบัติ ที่แบบไม่มีไม่ได้ถามครูด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะอย่างที่พ่อพูดมันก็ไปไปกันใหญ่เลยมันก็เลยต้องต้องกลับมาปรับจูนใหม่แบบเนี้ยค่ะบางทีถ้าเราใช้ธรรมะปรับได้เราก็ไม่ต้องไปใช้ยา ก, ก น, นะใช้ตายรักปรับมันเป็นอย่างนี้ร่างกาาันแตมันนอนไม่ได้ค่ะหลวงพ่อก็เราไม่มีสติไม่มีสมาธิพอไงถ้าเราฝึกสติสมาธิเราก็จะนอนหลับสบาย ใจเราปล่อยวางได้คือพอตอนพอมันช่วงวัยทองค่ะหลวงพ่อมันร้อนแบบโอ้โหร้อนเหมือนโดนเหมือนโดนไฟเผาเลยนั่นแหะก็เป็นทุกขเวทนาความเจ็บถ้าเราฝึกสมาธิเราฝึกนั่งแล้วเวลาเจ็บเราเราเฉยๆได้เราก็ทนอยู่มันได้ใช่ฮันหนูก็ทนแบบนั้นค่ะแต่แบบว่าพอคุณหมอไปตรวจมันเหมือนแบบว่าคือสมองคือมันพูดพูดพู ด, พดแต่ว่าหนูไม่ได้พูดใช่ไหมคะข้างในมันพูด พูดพูดตลอดจนทําให้แบบสมองหนูมันแบบมันเหมือนมันไม่ได้พักผ่อนมันเหมือนคนนอนหลับหลับแต่แบบตาค้างแบบเนี้ยค่ะหมอก็เลยต้องให้ให้ยามาแล้วก็ให้ยาปรับฮอร์โมนด้วยคือมันเป็นช่วงเดียวกันกับตอนช่วงที่ปฏิบัติพอดีเลยค่ะมันก็เลยอืมันก็เลยไปไปกันใหญ่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นเบาขึ้นนะคะแต่ตอนนี้หนูก็เออ่ช่วงประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งแล้วหนูหนูหยุด หยุดสวดมนต์กับหยุดนั่งสมาธิก่อนเพื่อเพื่อปรับตัวเองเพราะว่าคุณหมอบอกว่าให้หยุดก่อนตอนนี้อย่าเพิ่งปรับผิดคำนี้ต้องสวดมากขึ้นที่ได้ทาไป น, น, นั่งนัน่งสมาธิมากขึ้นไปหนูสวดเยอะมากค่หะหลวงพ่อสวดสวดมนต์ทีสี่สิบห้านาทีนั่งสมาธิทีแบบครึ่งชั่วโมงบางทีก็ต้องสงบต้องสวดแบบสงบนั่งแบบสงบถ้าสวดไปคิดไปมันก็ไม่สงบ ใช่ค่ะสวดหนูสวดเสียงดังเลยเลแล้วแล้วหนูไม่สวดปากเปล่าตอนนี้หนูเอาหนังสือมาอ่านเพราะว่าเดี๋ยวแบบมันมีอะไรเข้ามาแบบมารบกวนหนูก็ต้องอ่านเปิดตำราอ่านเลยค่ะอืมแต่ถ้าพระทุดง ท, ท่านก็จะท่านก็จะทําเลยใช่ไหมคะอืมท่านไม่สด็จท่านเข้าสมาธิไปเลยคือไม่ได้สนใจอะไรเลยค่ถือว่ามันปรับใจอย่างเดียวปรับให้มันรับกับสภาพเปลีย่ยนแปลงของร่างกาย น้ำกายหิวบางวันไม่ได้ไปบินธาบาร์ดแล้วบินธาบาตได้แต่ข้าวป่ามากินก็ก็กินไปตามมีตามเกิดไปตับใจรับประมหตุการณที่เปลี่ยนไปก็อันนี้หนูก็อยากจะบอกเป็นวิทยาทานด้วยค่ะหลวงพ่อบางทีตอนที่หนูนั่งแล้วก็ไม่มีปูบาจานอย่างเงี้ยก็มีปลอมเป็นเสียงหลวงพ่อด้วยนะคะหลวงพ่อ อั่นแะกิเลสมันหลอกเราใช่ค่ะแต่หนูไม่เชื่อหนูไม่เคยเชื่อเลย<ม>แต่พอดีว่าหนูมาเข้าช่วงวัยทองพอดีมันก็เลยแบบว่า ม, มันก็เลยไปเลยก็เลยต้องไปหาหมอไปปรับฮอร์โมนด้วยอย่างเงี้ยค่ะร่างกายมันก็หลอกแล้วก็ไอสิ่งนั้นมันก็มาหลอกเราอีกแบบเนี้ยค่ะก็เลยหนูหนูไม่ไม่มั่นใจว่าพี่ๆในนี้เจอเหมือนหนูไหมหนูก็อยากจะบอกเป็นวิทยาทานว่าอย่างอย่างที่หลวงพ่อบอกแบบนั้นเลยค่ะว่าถ้าเกิด แลนะใช้วิธีเราก็เคยใช้สติกับสมาธิไปเนี่ยพอแล้วโดวยสติสมาธิด้วยปัญญาดีกว่าไม่มเอายามากินบางทียามันก็มีผลกระทบกับร่างกายส่วนอื่นอีก <c> ถ <oughs> <c oughs> ้าอยากกินยาได้ดีที่สุดเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจของเราใจเราปรับไม่ได้กับสภาพกามเปลี่ยนแปลงของร่างกายถ้าเราฝึกสติฝึกสมาธิ มีวุ่นวาคาใจเราก็ปรับได้มันเป็นอย่างงี้ก็เป็นอย่างงั้นไปอย่าประยากให้มันเป็นอย่างอืงอง่นนะใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะนอนหลับสบายแต่นั่งสมาธินานๆมันเหมือนมีพลังนะคะหลวงพ่อนอนไม่หลับไม่เกี่ยวอะถ้าถ้านั่งสมาธิมีนอนไม่หลับแสดงว่าไม่ได้นั่งสมาธิวนั่งฟุ้งานอ๋ <c oughs> อ่ะแล้มันนั่งสมาธิมันต้องสงบอะไลสบายอืมอืม หนูก็เลยต้องมาเปลี่ยนแบบว่าช่วงก่อนแล้วก็เปลี่ยนมานั่งตอนเช้าเพราะว่าเวลาหนุ น, นั่งสมาธิทีไรมันเหมือนแบบว่ามันเหมือนว่า น, นั่งสมาธิไม่ถูกไม่ใช่เป็นสมาธิหรอกเราคิดว่าเป็นสมาธินั้นไม่ใช่สมาธิาสมาธิแล้วจิจะสดชื่นเ บ, บิกบานใช่ย <หา S 1> เย็จะสงบไม่ทุกข์กับอะไรถ้าทุกข์กับแสดงว่ญญาไม่ใช่สมาธิช่วงหลังๆนี่ไม่ค่อยได้นั่งเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่ร่างกายป่วยก็เลย หุดนั่งไปก่อนแต่ก่อนหน้าที่ที่เป็นปกติอ่ะคะ่ะนั่งแล้วมันดีมากแต่พอหลังๆนี่นั่งแล้วแบบนอนไม่ได้เพราะตั้งแต่ฮอร์โมนมันผิดเพี้ยนไปอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ก่อนนั<อ>้นก็มันดีมาก่จนไม่นั่งต่อเราของดีนะไม่นั่งแสดงว่าไม่ดีจริงถ้าดีจริงไม่ทิ้งหรอ <invece> ดีค่ะไม่ทิ้งไม่ทิ้งเลยไมทิ้งแต่ไม่ทำมี <but S 2> ทำบ้างคะ่ะแต่แบบว่าก็จะมีอะไรแบบมากวนมันไม่ไมไดีจริงอนี่มันถึงไม่ทถึงถ้ามันดีจริงมันมันทําทุกวันอนะ่ะค่ะหลวงพ่อทำ <ขา S 2> โอเคนะค่ะหลวงพอค่ะกลับสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะหลวมพ่อขอให้หลวงพ่อท่านแข็งแรงนะคะาสาธุอ่ากุญบัวขาวสุภาพส์อยู่ไต้หวันใช่ไหม การนมัสการคอาจารยเจ้าค่ะวันนี้กี่โมงเออตอนนี้ประมาณสามทุ่มครึ่งค่ะอ๋อแล้วกี่ชั่วโมงใช่ไหใช่ค่ะอืมวันนี้ก็เข้าฟังก็ได้ความรู้เยอะเยอะค่ะอ่าดีเอาไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เอามาเอามาเอามาสึกเอามาจดเอามาจำมาเพื่อเกิดเหตุการณ์อย่างเดียวรันลันดีลามาใช้ได้ ใช่ค่ะมเมื่อพฤือหัสที่แล้วก็มีไปคอนเสิร์ตมาค่ะพระาจารันทร์ปรดี๋ยวว่าถ้าซื้อสินแต่ซื้อสินแต่เขาไปคอนเสิร์ตไม่ได้ปรดีว่าซื้อสามีหนูเขาอยากไปดูหนูก็ก็เลยตามไปดูค่ะอพออไปดูกลับมาก็สติกระเจิงเลยค่ะใชะจะต้องมานั่งสมาธิใหม่ค่ะเพลงด น, นตรีมันยังก้างอยู่ในหัวะ ใช่ใช่ค่ะเวลาผู้ปฏิบัติธรรมเนีต้องสำรวมตาหูจมูกเลี้ยกายอ่ากไปให้ไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสว่ามันจะมันจะตกค้างอยู่ในใจเราเวลามานั่งสมาธิใช่ครับกลายเป็นนิวรนกลายเป็นอกประสอททำให้นั่งสมาธิไม่ได้ค่ะแต่ก็นแต่ว่าเมื่อสองเมื่อวันจันทร์เมื่อวันอังคารก็ก็นกลับมานั่งอยู่ค่ะอืม นั่นแหละมันกเป็นแบบเดินไปเดินไปข้างหน้าสองเก้าเดินกลับถอยหลังสองเก้าันก็ไปมันก็อยู่ที่เดิมอ่าว่อาอนจารย์ตอนถ้าจะไปทางทําก็ต้องตัดทางโลกไว้มันถ้ามันถึงจะได้ไม่ถอยหลังเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวอ๋อก็ไม่เป็นไตอนนี้ยังอาจจะทำไม่ได้เพราะเราอยู่ในทางโลกอยู่ก็อย่างนายพยายามต้านทางโลกไว้ก็ยก็ยังดี ดีย๋ยวาไล่ไปกนันตลอดเวลาค่ะป้าอาจารย์คือต้นใหญ่หนูอยู่ที่นี่ก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนอะไรเท่าไหร่ค่ะ อ, อยู่บ้านมากกว่าแล้วก็อตอนกลางคืนทําเลเสร็จก็มานั่งสมาธิค่ะอ่านี้อยวทํ า, ทาตามความอยากของเรากันแต่ถ้าทำพอนทำตามหน้าที่เขาอยู่กับสามีเขาชวนไปก็ต้องไปก็ไปอย่างนี้ก็ไม่รุนแรมันก็อยากไปเอง <laughs> ถ้าอยากไปนี่รล่ก่อน ครั้งนี้แล้วนเนี่ยมันไม่พอมันจะมีครั้งที่สองครั้งที่สามตามอ่าแต่ถ้าเขาชวนใบนี้มันก็เราก็ไม่ได้ไปด้วยคำยาวของเรามันก็จะไม่มีคามํายาวมนชวนเราครั้งต่อไปค่ะคือโชคค่ะอาจจะลืมหรืออาจจะคิดว่าเมื่อไหร่เขาจะมาชวนเราสักทีก็ได้ไม่ใช่ไม่ใ ห, หนูอยู่ที่นี่ก็ เชออย่างอย่างไปดูคอนเสิร์ตองนี้ยค่ะหนูก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะเป็นเป็นนักร้องนักร้องฮ่องกงอย่งนี้ยค่ะเขาก็ร้องเพลงจีนเลยะะ่างนี้ค่ะปาจันหนูก็นั่งเอานั่งดูแสงสีเสียงไปเรื่อยๆค่ะคนเยอะค่ะคนเยอะมากเลยอ้เรื่ว่านี่แหละคือนิวร อ, อุปสรรคขวามกานการนั่งสมาธิค่ะป้าจย์ใช่ค่ะเพราะว่าพอกลับมาก็เหมือนยัง ยมีเสียงดนตรีอยู่แต่ก็ก็ได้มานั่งแล้วค่ะเมื่อวันจนันทร์คะก็ยังทำให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะอาจารย์ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเล่นไหนเท่าไหร่ค่ะอี่ถ้าไม่ได้ไปเที่ยวถือว่าเป็นบุญเราบุญเป็นบุญของเราค่ะอาจารย์คื อ, อ ค, ค่ ะ, ค, ะคือช่วงนี้หนูก็คือเอ่อหนูทนัน คือหนูทานยาคือเคยเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นเออเป็นแพนิกเป็นซุมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้าจาันหนูก็ทานยามาหลายปีอยู่ค่ะแล้วช่วงนี้หนูก็พยายามลดลดยาค่ะเอเพราะว่า<ช>ไม่อยากใช้สมาธิช่วยดีกว่าไม่มีไม่มีมมพิษัยใช่ค่ะตอนนี้หนูก็เริ่มคือตอนแรกหนูทานยาประมาณสี่ตัวค่ะป้าจาย์แล้วหนูก็ค่อยๆลดลดมาเรื่อยๆจนเหลือตัวเดียวแล้วตัวเดียวนี้ยหนูก็พยายามลดเหลือครึ่งเม็ดค่ะ อดีกลัไปก็เลิกกินได้ถ้าเรามีสติมีสมาธิมากพอเร า, าก็จะเป็นปกติไม่แพนิบสติจะช่วยทำให้ใจเรามั่นคงไม่ไม่หูือหวาไม่ตื่นเต้นตกใจใง่ายๆใช่ค่ะพอหนูลองมาปฏิบัติทรรู้สึกว่าช่วยได้เยอะเลยค่ะอืมค่ะอย่ายงที่ดีสุดก็คือสติสมาธิปัญญาเนี่ยทำม า, าเอาสน ค่ะพอาจาย์อย่างตอนที่อย่างตอนที่ลดขนาดยามันก็จะมีอาการเหมือนกับว่าบางทีเหมือนออ่สารเคมีในสมองมันมันอาจจะไม่ค่อยบาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องลดยาใช่ไหมคะบางทีก็รู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้แต่ก็พยายามดูมันติดยามันเป็นอาการติดยามันติดยาเสร็จดติดหรือติดกาแฟเนี้ยกลางวันไหนไม่ได้กินกาแฟมันก็จะรู้สึกอาการไม่ดีขึ้นมา ใช่ค่ะมันจะเหมือนกับมันดหดผูรนิดๆอะไรอย่างงี้ค่ะเป็อนอาการติดยา <laughs> พอหนูว่าลองปฏิบัติธรรมหนูก็เลยลองหนูก็เลยใช้เอธรรมะเนี่ยค่ะเดูดูอารมณ์ยอะไรเงี้ยว่าเออมันไม่ใช่ตัวเรานะอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ ม, มันก็ดีก็ดีที่กว่าตอนแรกค่ะเยอะเลยเนี่ถูกต้องแล้วใช้ธรรมะดีกว่าค่เพราะมันตรงมันเป็นยาตรงกับ โลกโรโรกจิตมันต้องใช้ธรรมะไม่ใช่ไปกินยาที่ร่างกายการ น, น, นอ น, นอะไรก็ดีขึ้นอะค่ะ่ตเพอเมื่อก่อนหนูก็เป็นคนนอนยากค่ะเพราะว่าเนื่องด้วยที่เป็นแบบนี้ด้วยะคะ่ะคิดมากด้วยแล้วเป็นหน้ามันจะคิดมากใช่ค่ะเมือ่อก่อนไม่ได้ว่ามันคิดมากจะชอบคิดวนไปวนมาแต่พอเริ่มมาปฏิบัติทําแล้ว อาการพวกนี้น้อยลงค่ะไม่ค่อยคิดเยอะดีค่ะยามปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วต่อไปอาจจะเลิกยาได้เลยค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่อยากทานยาเป็นตลอดชีวิตค่ะพระอาจารย์มันไม่ค่อยดีค่ะดีดีธรรมโอษฐ์ดีค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะโอเคมีอะไรอีกไหไม่มีราคาเดี๋ยวถ้าหนูกับไปที่ไทยอ่ะค่ะหนูก็ว่าจะเข้าไปกราบพระอาจารย์กัน แต่หนูเคยเข้าไปกราบพระอาจารย์ครั้งหนึ่งนะคะเคยไปกับเพื่อนเพื่อนแพร์อ่ะค่ะแพร์ เ, เขาพาไปแพร์ค่ะวันนี่เข้าก็มานี่เมื่อวานนี่เข้าก็ม า, ามาค่ะมันีเข้า ม, มาบ่อยเข้ามาอยู่เรื่อยๆค่ะหนูก็ฝราบแพรไปทำบุญกับพระอาจารย์เรื่อยๆค่ะแล้วก็ความจริงปีปีที่แล้ว่ค่ะแพร์ เ, เขาก็ชวนมากับพระอาจารย์แต่พอดีหนูไม่ว่างค่ะหนูก็เลยเดี๋ยวให้รอรอบหน้าละกันเลยนี่ค่ะง่ายฉันเดี๋ยวก็มา ไม่สะดวกก็เข้ามาในซูมก็ได้ค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระอาจารย์ท <Okay. S 2> ่าขันแข่งแองค่ะาสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์อ่คุณแอนต่อคุณยนค่ะน้องกาตมาสก้าค่ะอาจารยู้ไม่มีคำถามเจ้ครับอืาดีมากมาไปที่คุณอ้อมต่อไคุณอ้อมมีอะไรไหม น้วัตการค่ะเข้าม า, ากล่าวค่ะไม่มีคำถามค่ะไม่มีความกลัวนะค่ะไม่กลัวอะไรนลยนะค่ะอ่านะ่าใจวะก็ต้องไปอีกค่ะต้องไปอีก่โอเคค่ะวิสูทธ์เรื่อยๆน ะ, อะโอเคงไ ป, ไปรี่ ก, กุณสินทร์ต่อคุณสลินทร์ก็ทำาะารเหมือนเดิม เนจะต้องข้หลวงพ่อน้อง่ากขยันดีเป็นคนขยันดีไม่เคยเห็นไม่ทํางานเลยหนูเขาให้งานหนูมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะหลวงพ่อหนูก็พยายามหนขาจะโปรโมทแล้วนะค่ะหนูก็พยายามให้คนอื่นช่วยทําบ้างอะค่ะหนูกาต้องเดินช่วงนี้หนูต้องเดินทางไปต่างรับด้วยค่ะหลวงพ่องานจะเยอะหน่อยอ่ะค่ะไกลไหมไปไกลไหมอ่ะอาทิตย์หน้าหนูไปหนูไปเท็กซัสค่ะหนูไปฮิลตันเท็กซัสขับรถไปแล้วก็บินไป ินปไปค่ะไปค่ะพระอาจารย์ก mm ็ hmm. mm hmm. น, นั้นแหะค่ะวันนี้ก็เข้ามากลาวพระอาจารย์แล้วก็มาสวัสดีปีใหม่ไทยพระอาจารย์เจ้าค่ะนี mm ่านสงการทีที่ที่อยู่หรือเปล่าหนูไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะที่วัดทางนี้ก็มีงานกันเยอะมี uh, ม, นนะมีสงการมีเอ่อทําบุญอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. แต่แต่หนูไม่ได้ไปเลยค่ะหนูว่าหนูทํา mm hmm. นั่งสมาธิอยู่บ้านทำบันเยอะกว่า ค่ะพอไปแล้วคนมันเยอะแล้วต้องแย่งกันทุกอย่างเลยอะคะ่ะเรื้อหาตอดรถแย่งกันทำบุญแย่งกันอปฏิบัตินนที่บ้าน น, น, น, น, นั่นสำหรับคนที่ยังปฏิบัติทําไม่ได้<ค>นหนูก็บบคิดทำได้เขาบ้าจะไม่ค่อยไปทำบุญเท่าไหร่หนูก็แอบคิดเหมือนพระจกักรพิมพ์แต่แตก็เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากจะไปซื้อข้าวของอะไรคือที่นี่เขาจะมี มีการอัญเชิญเอพระพุทธรูปออกมาแล้วก็ส่งน้ำมนต์แล้วก็มีมีพระสวดแล้วเราก็ทําบุญแล้วก็มีขายอาหารอย่างเงี้ยนะคะมีการสแสดงหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะทานอะไรไม่ได้อยากไปดูอะไร อ, อแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ไปวัดบ่อยอยู่แล้วอือบุญก็ทําเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะออันนี้นะะเป็นสําหรับคนที่อยู่ในระดับทําบุญยังไปภาวนาไม่ได้เราก็ต้องสารการทําบุญ นอนเลี้ยจิตใจเข้าไปก่อนคนที่ไปภาวนาได้ก็จะเห็นว่าการไปภาวนานี่มันได้ประโยชน์มากกว่ า, ค, าค่ะเพราเวลาหนูไปทําบุญกลับมาใจหนูก็จะคิดถึงความสุขความมันถึงจะเป็นความสุขจากการไปทําบุญมันก็ยังใจมันอยู่ตรงนั้นเวลาเข้ า, อาพอจะเข้าลําบากค่ะดีะพยายามภาวนาไปเลยค่ะคขอบคุณหลวงพ่อมากค่ะหรือว่ามันก็ บอกพระอาจารย์ทัดขันแข่งแรกนะคะคคออุณสารกาจานนามาฟังคำค่ะพรอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะโอเคค่ะงั้นไปที่คุณคุณสารใช่ไหมคุณสารนาถือว่ามัาจหนังสือมันเล็กมากเลยมองไม่เห็นค่ะ จากสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะพระอาจารย์ที่โยมถามพระอาจารย์ในสูมาคะ่ะโยมก็กลับไปฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งทีแรกคิดว่าจะหนังสือสติสติประฐานสี่ใช่ไหมคะสูตรใช่ไหมคะแต่พอไปอ่านทําไมในเมื่ออาจารย์สอนอยู่ทุกวันสอนอยู่ตลอดเวลาว่าให้อยู่กับสติเรื่องของกายใช่ไหมคะอยู่กับสติพอเวทนาก็ให้อยู่กับอุเบกขาอยู่กับมันให้ได้ไม่ทุกข์พอเรื่องจิตก็คือ เรื่องของไม่คิดแล้วก็เรื่องอย่าไปตามอารมณ์ของจิตจงว่าเออก็อาจารย์ก็สอนอยู่แล้วโยมก็เลยไม่กลับไปอ่านค่ะอาจารย์เ อ, อเข้าใจแล้วก็ไม่เอาไปอ่าใช่โยมเข้าใจถูกใช่ไหมคะ อ, อ่าก็พิจารณาทุกอย่างเป็นตายล้างหมดนะร่างกายก็เป็นตายล้างอทัศน์ทางก็เป็นตายแล้วค่ะโยมก็บอกว่าก็เป็นตายแล้วอ่ะเพราะว่าเรื่องกายก็ดูให้อยู่กับกายเป็นใช้สติไปเพราะเวทนาก็คือไม่ทุกข์อยู่กับมันแบบไม่ทุกข์ไม่อยากให้มันหายเป็น เป็นใจรักค่ะอาจารย์แล้วก็พอเรื่องของจิตก็คือเรารู้ว่าความคิดมันก็อย่าไปคิดกับมันแล้วก็พออารมณ์ของจิตก็อย่าไปตามมันอย่าไปทําให้มันอยากให้มันหายอยู่กับมันไปแบบนั้นเป็นอุเบกขาโยมว่าเออก็ไม่ต้องไปอ่านแล้วพระอาจารย์ก็สอนอยู่ตลอดเวลาจารโยมก็รู้สึกเออดีเข้าใจถูกต้องใช่ไหมคะใช่นอกจากรร่างกายจะต้องศึกษามากว่านี้หน่อยต้องศึกษาสุภาษาร่างกาย ต้องศึกษาการสามสิบสองศึกษาเวลาร่างกายตายปเป็นเป<ฆ>็ท่าศพศึกษาว่าเป็นดิดนน้ํำลมไฟเป็นอนัตตาให้เราเข้าใจร่างกายให้มากขึ้นเพื่อที่เราจะได้ปล่อยวางไม่ไปทุกข์ก่อนเพราะมันไม่ใช่ตัวเราเป็นดิดนน้ํำลมไฟเป็นตุกตาตัวหนึ่งที่เราได้มาเป็นเราก็ไปหลงเขี้ยวเป็นตัวเราของเราขึ้นมา เพราะว่าเวลอะไรเกิดขึ้นกับมันเราก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ทันว่ามันแค่เป็นแค่ตุ๊กตาไม่ให้เราเราเป็นเหมือนเด็กที่ได้ตุ๊กตามาแล้วเล่นกับตุ๊กตาไปอย่าไปยึดไปติดกับตุ๊กตาสาธุค่ะอาจารย์คือโยมก็จะบางครั้งโยมโยมก็จะดูให้ร่างกายโยมเป็นอสุพะดูคนอสุภะแล้วก็ดูให้มันเน่าไปอย่างเนี้ค่ะอาจารย์ ทางของเราแล้วเราเฉพาะของแฟนเราเนะี่นยพยายามดูให้มันเน่าบ่อยๆ ย, ยมก็ดูเขาสังเวชอยู่นะคะจันยมอย่าไปดูคนอื่นนะดูดูแฟนเราดูคนที่เรานอนด้วยค่ะค่ะยมก็ดูเขายมยงก็เพลงอสุภัสแต่วันนี้ก็เก่งใจเขานะคะจันก็นั่งดูเออคนที่เคยหลอมันก็อยู่วันหนึ่งมันก็ดูมันมันก็แย่นะคะยมเคยเห็นรุ่นน้องที่เขาสวยมากนะคะจาันเขาทุกเขาดูหมด ไม่สวยอะไรเลยดูเออไม่สวยเลยยมจิตใจนิยมไม่ทุกนะคะจานยมยมไม่ได้กังวลกับมันค่ะเรื่องแก่เรื่องอะไรยมไม่ได้กังวลค่ะจายันควรเรื่องของอารมณ์ของโยมอย่างเดียวอารมณ์ยมที่ยมใจร้อนนะคะยมจะต้องติดกับมันแต่ว่ามันมันทําสามียมชมนะคะยมยมเอาเอาเขาชมดีกว่านะฮะยมไม่ชมตเองเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยยมเป็นอีกแบบหนึ่งตอนนี้ยม เป็นอีกแบบหนึ่งค่ะอาจารย์ไม่เหมือนเดิมค่ะอาจารย์แล้วมีช่วงนี้อากาศร้อนนะคะอาจารย์ทางบ้านยมใหญ่ร้อนมากสามสิเจ็ดองศาถ้าเป็นเมื่อก่อนจะรู้สึกบน่นร้อนร้อนแต่ตอนนี้อาจารย์บอกว่าอยู่กับมันอย่างอาจารย์พูดในสูมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะมยมก็อยู่กับมันมันก็แปลกที่ว่าเราอยู่ได้นะคะอาจารย์ไม่ทุกยมลองไม่เปิดพัดลมดูแล้วยมก็อยู่กับมันได้ปกติค่ะอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์เย็นท่าอย่างไง เงาเย็นแล้วก็ไม่เหดืได้ร่างกายที่มันนอนค่ะแต่มีมีอยู่คืนหนึ่งอาการมันร้อนมากค่ะจันแล้วก็โยมตื่นขึ้นมากลางดึกประมาณตีสองแล้วก็เหมือนกระลมหายใจโยมหายไปใช่ไหมคะจารย์หาดูลมหายใจไม่เจอโยมก็บอกอ๋อหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าตายโยมก็นอนบริกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจันจนกระทั่ง มันร้อนลุกขึ้นไปเดินจงกรมตีสองค่ะอาจารย์ก็เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกเหน่อยก็กลับเข้ามานอนคือมันอ๋อมันรู้ว่าอ๋อมันลมหายใจมันมันหายไปมันด้วยความที่มันร้อนมากอากาศร้อนมากค่ะอาจารย์ช่วงนี้ยังเพบอกมัไม่หายหรอกแม่งแต่เราจำมันไม่ได้ถ้าหายเราก็ตายไปแล้วใช่ค่ะคือเราจับลมหายใจไม่ได้ใช่ค่ะนั้นมันหาไม่เจอค่ะอาจารย์ยัไม่หายมันมันอาจารย์ละเอียดลงไปมากอ๋อ โยมก็เลยบอกหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายยมก็ผลบริกรรมไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์โยมค่ะไม่ไม่ไม่ทุกข์กับอะไรนะคะอาจารย์ แต่ว่าอารมณ์ร้อนของโยมอ่ะมันมีสติขึ้นมาเยอะคะ่ะพอเริมเราเริ่มมีอารมณ์โกรธปุ๊บอาจารย์บอกว่าอารมณ์โกรธรู้ว่าโกรธอารมณ์ของจิตมันเป็นอย่างนี้อย่าไปตามมันอย่าไปย้าให้หักเรารู้เท่าทันมันโยมก็อืมก็โอเคได้อยู่ ค, ะ ค, ะ ค, ะคะ่ะอาจารย์อาจจะไม่ฉับไวเท่าเท่าไหร่แต่ก็ไม่ไม่นานค่ะอาจารย์ไม่นานตัวก็เรื่อยๆต่อไปมันก็จะทนันมันก็จะเร็วขึ้นเอง คือมันมันปุ๊บแต่ก็อมีแป๊บหนึ่งหาอาจันแต่มันไม่ข้ามวันข้ามคืนไม่เป็นชั่วโมงอย่างเมื่อก่อนเมื่อก่อนค่ะนี่ยมยมขอบพระคุณพระจาจันนะคะขอบพระคุณค่ ะ, อะขอจันแรงค่ ะ, ะเดียเด๋ยวเดือนเมษานี้ก็เข้ารอบของการเข้าปฏิบัติธรรมของโยมแล้วค่ะเดี๋ยววันที่ยี่สิเอ็ดนี้ก็เดินทางค่ะจนันโอเคดีสทุส ตม่นใช่ค่ะคือช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นิยมไม่ได้ไปค่ะอาจารย์แต่ว่าพอหลังจากนั้นโยมก็ทําได้มีอะไรดีกัดยมก็ตั้งใจว่ายมจะไปทุกเดือนค่ะอาจารย์แล้วก็จะเพิ่มจํานวนวันให้มากขึ้นค่ะเพราะโยมก็แก่แล้วแล้วก็ทางคนเดียวได้เนี่ค่ะคนเดียวได้ยมก็จะรีบไปแล้วก็เที่ยวบินมันก็ลดไปเลยค่ะเมื่อก่อนไปบินตัวตัววันตอนนี้ก็เหลือแค่วังวันก็มีหนึ่งบางวันก็มีสองอาจารย์อื แต่โยมก็จะไปค่ะอาจารย์อขอบคอาจารย์นะคะไปตามน้ำมันนะสาธุค่ะ อ, อ่าอาจารย์สุภัตาเป็นยงไงเป็นอาจารย์ตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างกบน้ำมัสกักขารชเจค่ะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกมันวุ่นวาย <c oughs> าแบกครับเพามันก็เหนื่อยเลยเรายังไม่แบ มันเหนื่อยเจ้าค่ะมันมันไม่เหมือนตอนที่อยู่เฉยเฉยไม่อยู่ปฏิบัติแล้วมันรู้สึกแ น, น่ <vagy S 2> นอนเมืเ <c oughs> ม่อเราไม่หาเราไม่หาสตังมันก็เหนื่อยเนี่ถ้าเราหาสติมันก็เบาเย็นอตอนนี้ลูกโง่เจ้าค่ะสตัง <c oughs> นี่นะผมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่า <c oughs> หาสตังมันก็ทุกข์แค่นั้นเองอ ก็ท น, นไปเพราะยังถ้ายังจำจำจําเป็นจะต้องใช้สตางค์อยู่ก็ต้องทนอดทนไปเจ้าจค่ะเจ้าค่ะแต่อย่าไปหามากจนเกินความจําเป็นแล้วกันหาตามที่ที่จําเป็นจะต้องหาเจ้าจค่ะเจ้าค่ะเป็นได้รับพรวันนี้ีความสุดเจ้าค่ะ<ด>คมันที่มันที่เพลินกับการหาเงินเลย คือว่ายิ่งได้มากยิ่งดีมันก็เลยอย่างมันก็โลภหาเงินมากขึ้นครับเวลาที่จะมาหาสติก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะะอยากอยากค่ะอยากกลับไปหาสติเจ้าคะอยากไปอยู่แบบนั้นมันมีความสุขมากกว่าเยอะแต่พอเข้ามาอยู่กับทั้งโลกก็วุ่นวายแล้วแต่วุ่นวายหนอวุ่นวายหนอเ ม, <laughs> มื่อไหร่เมื่อถ้าวุ่นหายก็ต้องหาทางออกไม่ได้ เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็บางทีก็ก er ็ก็อยากอยากก็น uh ั่งสมาธิเจ้าค่ะแต่ว่าตอนนี้นั่งสมาธิน้อยน้อยลงมากเจ้าค่ะเพราะว่างานเยอะมากเยอะมากเจ้าค่ะได้ได้รับงานมาเยอะมากก็เลยสมาธีก็ลดลดน้อยลงอีกแบบจะพยายามจะพยายามทำทำด้วสติทําตากําลังทำทําสามารถได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น อย่าไปทำอะไรที่มันเกินคำาสามารถของเรามันจะทให้เราเครียดเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอเคอมีอะไรไหมได้รับพอเจ้าค่ะรู้สึกมีความสุขมีได้ได้คำสอนเพื่อจะได้ไปไปไปปฏิบัติต่อเจ้าค่ะ อยู่บนโลกไป น, นี้นได้คําสอ น, นของพระอาจารย์ก็เป็นแนวทางที่จะให้ลูกได้ได้อยู่บนโลกมีได้อย่างมีความสุขเจ้าค่ะเราทํางานไปแล้วก็ยังสามารถปฏิบัติครอบคู่ไปได้ด้วยการมีสติด้วยการใช้ปัญญานัมรู้จักความรู้จักประมาณในความสุขคัารู้ความสามารถของเราอย่าไปรับงานเกินกําลังของเราเจ้าค่ะอต้องปฏิเสธบ้างถ้าจำเป็นเราทำไม่ไหวก็ต้องบอกเข้าไป เจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราเที่พระอาจารย์สอนเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าคนเขาสมมติถ้าคนเขาคนเขาอิจฉาหรือยังไงอย่างเงี้ยคือก็ปล่อยเขาไปแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากจะทำเกินหน้าใครเพียงแต่มันเป็นงานที่ที่เราได้รับมอบหมายแล้วเราก็ ก็อยากจะทํางานนั้นตามหน้าที่ของเราให้มันสมบูรณ์แต่ว่ามันก็ทําไปกระทบกับคนอื่นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ช่วยไม่ได้ทําหน้าที่โดยสุจริตเราไม่มีเจตนาที่จะไปอไปน้ําหน้าใครเมื่อมันมีเหตุมีปัจจัยมาให้เราต้องทำํำเราก็ทําไปตามหน้าที่ของเราทาแล้วใครเขาจะชอบอะไรจะไม่ชอบก็ห้ามเขาไม่ได้ช่วยไม่ได้ ถ้า<ำ>เราไปอยากให้เขาไม่อฉิดฉาเราเราก็จะลำบากทำตัวยากมันจะทำยังไงใช่จ้ะ ท, <ำ> <laughs> ทำไปตามสบายทำไปตามตามตามตาความสามารถของเราทำตามกฎระเบียบทำตามกฎมทำศีลธรรมแค่ท่านี้ก็พอส่วนผล <laughs> คนใหญ่ก็จะรู้สึกไงกับลางนี้ลากนี้ตองถือว่ามันเป็นธรรมดายยในโลกมีสรรเสริญมีเนินทา มีเชิญชายินดีมีชาริศยาเจ้าค่ะผะว่าด้วยด้วยนิสัยของลูกเราเวลาทำอะไรเราเป็นคนที่เป็นคนที่มีวินัยในตัวเองอะเจ้าค่ะแล้วก็เป็นคนที่จะทำอะไรเราคือเราเราจะทำด้วยตามหน้าที่และจริงจังกับสิ่งที่เราทาเพราะด้วยความที่เรามีวินัยไม่ว่าจะตรงไหนก็เกายเป็นแบบเนี้ยเจ้าค่ะก็เลยกลายเป็นเด่นขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มีเจตนาจะเด่นอยู่แ ก็มันก็เลยทำให้รู้สึกบางทีเหมือนเราจะจะไปหรือเราจะเราจ ะ, เราจะลงหรือเราจะยังไงมันบางทีกลัวจะไปขาดใครไปอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้รู้สึกแบบอืมก็ต้องดูศึกษาบางว่าคนไหนขันได้คนไหนไม่ขันนะถ้าอยาจะอยู่ตามมันก็ต้องรู้ว่าใครเป็นเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่ เ, า ท, เ, า ท, เาทางก็ต้องต้องระวังอย่าไปทำให้เขาไม่พอใจต้อง ม, ม, มีความฉลาดบ้าง <laughs> ครู้บุคคลทั้งธรรมะทั้งสอนเราต้องรู้บุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยว่าแต่ละคนนี้เขามีมีบทบาทอย่างไรววิธีปฏิบัติกับเขาคนจะปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องและไมาให้เกิดผลกระทบที่ไม่ดีกับเราต่อค่ะต่อค่ะแต่ถ้ามันสุดวิสยัยถ้าทําไม่ได้้าไม่ได้ก็ต้องปองเป็นกรรมของเราไป <laughs> อะไรจะเกิดก็เกิดเยอะมากก็แค่ออกถ้าอยู่ไม่ได้ก็ออกไปแล้วค่ะแล้วค่ะแล้วค่ะเราเข้าใจเราจะค่ะถ้าอยากจะอยู่อ่ะยัต้องปรับตัวเองให้ให้ให้ไม่ไปกระทบกับกใครอืมแล้วค่ะว่าถ้าสมมติว่าลูกบอกว่ามีเจตนาที่คืออยากอยากจะคุยกับ อ่ออย่างสมมุติกับหัวหน้าอย่างเงี้ยคือเพราะว่าลูกบางคือลูกเนี่ยก็เป็นรองหัวหน้าด้วยก็คืออยากจะคุยกับเขาเพื่อที่เราจะได้แบบมีแนวทางกบช่วยกันที่จะพัฒนาศูนย์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ใน ม, มุมมองที่เขามองว่าถ้าพอคือเวลาลูกพูดอย่างเงี้ยมันมีเขาจะมองว่าลูกขัดแล้วก็เหมือนแบบเป็นคอยขัดเขาเจ้าค่ ะ, ะใช่แล้วค่ะอันนี้ถ้าเขาเป็นนายแล้วเราก็ต้อง เราก็ต้องเฉยๆไว้เพราะว่ามันอาจจะเหมืนก็บว่าถ้าเราไปแสดงอะไรขึ้นมาอาจจะไปนะครับไปมันก็ไปสอนเขาอย่างเงี้ยใช่เจ้าก็ไม่อยากใจลกน้องสอนสอนเจ้านายแล้วเราทำเป็นคนซื่อบือไปบ้างอย่ฉลาดมากจนเกินไปื็คือต้องบางทีก็คือก็ต้องเงียบไปใช่ไหมเจ้าคะบา ง, างทีก็ใเฉยๆ ก็ดูที่ว่าเขายินดีมากบางคนก็เป็นคนใจกว้างใครมาเสนออะไรก็เอายินดีฟังก็ก็คุยกันได้แต่บางคนเขาปิดเก็ไม่ต้องการยอมรับรู้เรื่องอะไรจากใครเขาถือว่าเขารู้มากพอแล้ววิธีของเขาดีแล้วอย่างเนี้เขาก็ปิดกั้นเขาไม่ยอมรับอะไรไม่ต้องไมนต้องยอมรับเพราะว่าเขาเขาเขาเป็นใหญ่กว่าเราเราให้เขามาปรึกษาเราอีกทีก่อนออื เราก็ต้องปล่อยปล่อยไปเราก็ต้องปล่อยบ้างบางทีบางทีก็ต้องให้เขาทําไปจนเขาได้เรียนรู้เองอเขาปรึกถาแกไม่ได้ารจะมาปรึกษาเราก็ได้เจ้าค่ะถ้าไม<จ>่ปรึกษาก็แล้วไปอ <laughs> แล้วก็อย่าไปหวังอะไรกับงานมากเกินกไปมันก็กเป็นการทําหากินเลี้งป่ากเลี้ยงเท้านั่นเองก็เป็นเป็นเหมือนละครเหมือนละคร เป็นละครจนกว่าเราจะพิสูนันต้องไมตั้งเป้ามันต้องเลือกต้องเลิกต้องดีอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อมันเป็นไปไม่ได้ก็อย่าไปอย่าไปฝันอย่าไปตั้งความฝันอยู่ความเป็นจริงก็เฉยเฉยเฉยบ้างเปาหมายคืออย่าไปมีปัญหากับใครนี่เนี่คือเป็นเป้าหมายแรกที่เราควรจะให้ความสำคัญคืออย่าไปมีปัญหากับใคร ข้อจ่าายมันสื่วิสัยห้ามไม่ได้ช่วยไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับกรรมไปประท่นเด็กเลี้ยงได้ก็เหลีกยงเล้ยงอย่างแต่ใช่น่ากับใครแล้วไปเหยียบเท้าใครมืองไายเจ้าก็เฉยไว้เฉยไว้ก็ดีเฉยไว้งานก็น้อยดีไต้องไม่เฉยไดังานเยอะเยอะ แล้วก็อน้อาจจะมีมีตำแหน่งที่อาจจะต้องรักษาไว้เขาควเดี๋ยวจะคนอื่นจะมาย่างตำแหน่งเข้าไปก็ได้นะคะลกก็พยายามนึกเหมือนที่พระอาจารย์สอนว่ามันก็เหมือนกับเป็นโรงละครมันโลกนี้เกิดมาเหมือนราก็เป็นละครของมันไปน้ำเน่าละครตํวลซอมอีก ก็ยิ่ช้าเสียแล้วก็กดน้องให้ยังไงดราฟต์ลูกต้อใจเราเจ้าค่ะก็อยู่กับมันไปไม่นไรฟอนแล้วก็เล่นไปเล่นบทที่มันไม่ไม่ต้องวุ่นวายดีที่สุดอย่าไปกระทบประเสธกับใครอใชกค่ะหนักก็หันหันโง่ซะบ้างก็ดีทำเป็นคนโง่บ้างก็ดีจ้าฉลาดมากเป็นไปเข้างคอมเมนต์เรา ไปเดินเยอะเท่าไงนะคะ้ะค่ะบางทีก็ก็นิ่งไปเลยดีกว่าพูดโทในใจอย่างเดียวดีกว่าใช่บางน้อยสันโดดดีกว่าไม่สันโดษนะคะนะคะขอบค่ะขอบขอบขอบขอบขอบคุณเจ้าค่ะอาจารย์เตือนสติโลกดีหวังว่าคนจะช่วยคลายความเครียดลงได้บ้าง น้อมนําคําสอนเจ้าค่ะนะคะขอบคุณเจา้าค่ะคุณยินดีคุณยนดีชอบดีไม่ต้องทำ ง, งานอยู่อยู่กับบ้านเฉยๆทำข้าวอย่างเดียวโสบายค่ะอาจรผ่านมาแล้ว่ค่ะตอนช่วงที่ทํางานก็คิดเหมือ น, อ น, นกันนะคะเคยบอกกับแม่อยู่ว่าโอ้ยเมื่อไหร่แบบเมื่อไหรจะเจอแบบใครเข้ามารับเลี้ยงเป็นทั้งทีบุญมาทันทีบุญ หนูก็เลยบอกงี้เดวิดเขาดวงตกหนูด่าก็เลยโล่งไ้ค่ะตอนนี้ก็เลยได้มาปฏิบัติธรรมมันก็ดีอ้อนีเป็นบุญของเราแล้วก็ตอบไปทํางานค่ะตอบแทนเขาโดยพยายามแบบดึงเข้ามาตรงเนี้ค่ะท่านอาจารย์ค่ะก็อยากให้ไปด้วยกันค่ะท่านอาจารย์อย่าวยามมากเกินไปแล้วกันเดี๋ยวเขาจะลาคาญนะครับไม่ค่ะท่านอาจารย์ เมื่อเขาความเบรกตัวเองได้ค่ะถ้าอาจารย์บอกเขาว่าอคือเวลาเราพูดเราอธิบายให้เขาฟังอะค่ะถ้าอาจารย์อเออคําธรรมะของของพระพุทธเจ้าค่ะเขาละเอียดใช่ไหมคะแบบมันไม่มีการแปลตรงตัวตรงตัวค่ะอย่างปัญญาใช่ไหมคะหนูก็บอกวิสด้อแล้วหนูก็บอกว่าวิสด้อมของของทางธรรมกับทางโลกไม่เหมือนกันนะทางวิสด้อเนี่ยมันมันละเอียดมากละเอียดจนกระทั่งว่ายูจะต้องไปอ d ด p t เอาว่า อจะแปลอย่างเดียวว่าวิศนัตมันไม่ใช่จะบื้บื้อทึ่ๆแบบปัญญาแบบปัญญาทางโลกคือปัญญาแบบโง่โง่หนูก็พูดอย่างถ้าเกิดปัญญาทางธรรมมันจะแบบมันจะละเอียดอ่อนนะคะคือต้องรู้จักหนูก็พยายามหาคําภาษาฝ ร, รั่งเศสให้เขาแต่หนูหาไม่ได้แล้วหนูก็พยายามนึกนึกนึกนกันกแล้วเสร็จแล้วเขาบอกใช่ไหมหนูก็บอกหนูก็ไม่แน่ใจมันใช่หรือไม่ใ ช, ใช่สุดท้ายหนูก็ไม่รู้จะทํายังไงหนูก็เลย หนูเอาไอเนี้ยค่ะท่านอาจารย์อหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษของหลวงตามหาบัวค่ะเวลาเขาอ่านอะค่ะเขาบอกเขาไม่เขาไม่เข้าใจสุดท้ายหนูก็เลยเอาไอ้หนูเอามาสองเล่มะค่ะเอหลวงตามหาบัวการปฏิบัติแล้วก็เกับถามตอบเล่มที่สองของท่านอาจารย์นะคะมาให้เขาแต่การปฏิบัติไม่หนีแล้วสุดท้ายหนูก็มันึกขึ้นได้โอ้หนูมีเชีวประวัติของท่าน ของท่านอาจารย์อยู่อะค่ะท่านพระอาจารย์เพราะหนูอะไปทวงคืนมาหนูหนูไม่อยากเสียไปอะค่ะหนูก็เลยไปทวงคืนมาแล้วหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยอ่านตรงนี้สิอ่านอ่านให้ได้แล้วจะเข้าใจหนูก็เลยดีใจค่ะท่านอาจารย์ได้ได้มาเจอตรงตรงชีวประวัติของท่านพระอาจารย์นะครับซึ่งเป็นแนวทางมันจะง่ายขึ้นนะคะและมันละเอียดขึ้นอะคะ่ะท่านอาจารย์เพื่อว่าที่จะจะให้เข้าใจใ<ช>แล้วก็ยินดีอย่าไปยั้นเยียดให้เขาแล้วกัน พอเขาอ่านพอเขาอ่านไปแค่นี้แล้วเขาบอกว่าเ ข, ขาพอล้หนู ก, นหนหนหน ก, ก็อ่านอีกสิหนูหนูลืมตัวหนูก็บอกอ่านอีกสิอ่านอ่านอ่านตรงนี้จบแล้วอ่านอ่านตรงนี้อีกนิดนึงหนูพูดอย่าง น, น, ง น, นี้อ่านตรงนี้อีกนึงเขาบอกเขาเขาไม่เอาแล้วได้ไหมเขาบอกเงนี้เขาไม่เอาแล้วได้ไนงะหนูก็เลยดีค่ะท่านอาจารย์เวลาปฏิบัติแล้วแบบมันจะจับตัวเราเองได้แม่นนะคะแบบคือคือพอนั่นปุ๊บพอ คือเราเราไปแล้วใช่ไหมคะพอไปแล้วอะ่ะแล้วเราก็รีบจับสติของเราได้แล้วเราก็บอกเออเออเอาแล้วไงหนูก็เลยบอกเนี้ยเอาแล้วไงนี่คือความอยากของเราเนี้ยหนูก็เลยต้องหยุดแล้วมันก็หยุดตัวเราก็หยุดด้วยตัวเราเองได้แล้วเราก็เราก็มีความพึ่งเฮ้ยทำไมทําไมทําไมว่าให้มึงทำไมมึงไม่อยาไม่อยกไปอีกวะอะไรเงี้ยพี่ที่ที่ข้างในมันคิดใช่ไหมคะท่านอาจารย mm hmm. ์แต่แต่แต่ตัวเราอะ่ะจับตัวเราได้ว่า เอาแล้วไงความอยากเริ่มขึ้นแล้วหนูก็เลยแบบเบรกตัวเองได้แล้วหนูก็จบดีเกี่แค่ทตานั้นอาจารย์นนจ<บ>งเขาเขายากอ่านย า, าไม่อ่านเรื่องของเขาไมาาแต่แต่เรื่องการปฏิบัติที่ว่านั่งสมาธิหนูหนูไม่เคยนี่แต่เขาจัดการตัวเขาเองอันนี้หนูก็พอใจในระดับหนึ่งนะคะท่านอาจารย์เขาก็จัดการตัวเขาเองไม่เคยขาดค่ะท่านอาจารย์ก็ไม่สนใจเขามากกว่าตัวเราดีกว่า ไม่ค่ะค่ะทา่านอาจารย์ก็เหมือนทาอ่านอาจารย์บอกว่าตัวใครตัวมันบางครั้งแบบเราอยากขึ้นมาก็เราก็ขึ้นมาว่าตัวใครตัวมันอย่า ไ, ไปอยากค่ะถ้าอาจารย์ปล่อยเขาไปค่ะถ้<ห>าชวนได้ก็ชวนหนึ่งได้ก็หนึงค่ะอืะาอนอาจารย์บาดีคือเขาเราก็เข้าใจค่ะบางทีคือการทํางานมันก็มันก็เขากเรามีกําลังไม่เท่ากันเขาอยู่บ้านสติมากกว่า ท่านอาจารย์เขาก็เหนื่อยของเขาเรื่องการงานเ<ม>อนคุณจุฑาค่ะหนูเข้าใจความเหนื่อยมันก็มีค่ะความท้อมาอทีมก็มาเหมือนกันแต่ก็อย่างนี้ยค่ะขึ้นขึ้นลงๆงทำธรรมชาติะคะ่ะท่านอาจารย์ก็เค <Okay. S 1> ว่าเราเหมือนกันความอยากไปเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณท่านอาจารย์มีอยากสูงค่ะท่านอาจารย์เ อ, อก่อนไปเขาก็อบอกเขาไม่ลืมนะท่านอาจารย์ก็บอชงได้ท่านอาจารย์ขอบขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์ขอบพ ค, คุณท่านอาจารย์มีอยากสูงคะที่สั่งสอนตลอดค่ะ คุณปุ้ยรักเสมอกรรมนวัสการ์ค่ะพระอาจารย์คุณปุ้ยค่ะปุ้ยใอม่แล้ว อ, อะไรนะคคุณปุ้ยมาอีกแล้ว <laughs> คุณปุ้ยอ่ะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งแต่วันพฤหัสคุณปุ้ยอ่ะอ่ห้สัญญากับพระอาจารย์ว่าโยมจะไม่แต่ต้องแน็และโยมก็ทำได้จริงๆค่ะโยมไม่ได้มาเปิด f a c e b o o แต่โยมไปฟังพระอาจารย์ทางยู u ูบค่ะแล้วโยมก็ลุยปฏิบัติของโยมในในวันแรกเนี่ยในคืนวันพุธกับวันพฤหัสอายมยยังแบบเหมือนกับต่อสู้กับตัวเองอะ่ะ พรงั้นโยมไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีปัญหาเงินทองอะไรเลยนะไม่คือมันมันเป็นกิเลสซึ่งเวลาโยมจะนั่งแล้วมันมันทำให้โยมรู้สึกขี้เกียจทำให้โยมอยู่งอย่างนี้โยมก็ใช้สัมมาอะระหังบ้างบางทีสัอพุทโธบ้างทีนี้โยมจําได้ว่าพระอาจารย์บอกว่าจะใช้อะไรก็ใช้อยู่คําเดียวเนียโยมก็เลยเอาเอาว่าเอพุทโธโยมก็เลยพุทโธไปโยมก็เดินด้วย เดินเดินรอบบ้านเลยเพราะฝนมันตกด้วยโยมก็เดินเดินเดินนลโยมก็มันมันนั่งเนะ้ไอ้คืนวันศุกร์หรือวันเสาร์นี้โยมจำไม่ได้เอ่อโยมรู้สึกว่าโยมปฏิบัติได้ดีมากแล้วโยมก็มันนิ่งแล้วมันแบบตัวมันเย็นแล้วพออีกคืนหนึ่งโยมก็นั่งแล้วโยมรู้สึกว่าตัวมันร้อนแล้วตัวมันตัวมันมันเหมือนกับเรารู้สึกเหมือนเหมือนกับ มันลอยขึ้นมาได้อ่ะมันนอาจจะเป็นจิตปรุงแต่งเบางท่านอาจารย์อย่าอย่าอย่าชย่าฟังมากนะแล้วโยมอาจจะจิตโยมปุงแต่งไปเองเพราะว่าโยมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วทีนี้มันมันรู้สึกร้อนๆแล้วมันรู้สึกมันเหมือนมีพลังอะไรก็ไม่รู้เพราะโยมฟังดวงตามหาบัวไปอ่ะคลิปอันนั้นน่ะเวลาโยมไม่นิ่งโยมจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่ท่านสอนและเป็นเสียงท่านจริงๆเลยและโยมก็แบบไม่รู้จะทํำยังไงท่านอาจารย์โยมก็ มันนั่งพูดเนี่ยกับลูกพระอาจารย์เนี่ยช่ว ย, ยมหน่อยจิตโยมไม่นิ่งเลยอะจิตโยมเหมือนลิงเลยแล้วยมเคยนั่งสมาธิโยมโยมก็รู้สึกแบบมันเหมือนมีพลังมันแน่นอยู่ข้างในตัวและคือคื อ, คอมันไอคํำว่าบวดเนี่ยมันจะปวดเข้าไปในกระดูกมันเหมือนกับมันจะมันเหมือนกับอะไรที่มันจะแบบจะแตกอะท่านอาจารย์โยมอธิบายไม่ถูกอะ มันยมพูดภาษาไทยไม่อธิบายไม่เป็นน่ะแล้วทีนี้มันพอมันถึงจุดหนึ่งคือจะปวด่ะจะทำรู้สึกปวดจะชาชาชาแล้วมันจะตวมจะเย็นเย็นเย็นเย็นแล้วมันก็หายกลับมาเป็นเหมือนกับเดิมอ่าพระอาจารย์แล้วได้ถามว่าโยมรู้สึกดีไหมโยมก็รู้สึกโอ้มันก็ดีฮะมันแล้วมันมันรู้สึกมันเหมือนกับเราไม่กินข้าวอ่ะค่ะพระอาจารย์าจนะฮะแล้วโยมเดินออกไปโยมจําพระอาจารย์สอนได้ว่า ให้ให้เดินจงกรมยินเดยมก็เลยบอกว่าอาจารย์บอกว่าให้เดินธรรมดาแต่ให้ให้ให้เอาสติจดเอาไว้ที่พุทโถพุทโธยมก็เดินไปกับหมาเนี้ยแหละยมก็เดินไปในสวนเนี่ยยมไม่ไม่ไปหาคนแล้วไม่ไปช็อปปิ้งด้วยโยมก็คือคือยมจะช็อปเอาไว้ให้พอดีและยมก็กะว่าไอ้ช่วงวันเนี้ยยมจะทําบุญให้กับพอาจารย์ยมจะถวายบุญให้กับอาจารย์ยมก็ตั้งใจเลยอืม โยมก็ทําได้นะคะดีดีโอเคที่ฟนเนี่ยแต่โยมทําได้ค่ะอ้าวเลยเอาให้เต็มที่เลยนะใช่อ่ะโยมโยมรู้แล้วล่ะว่าไอ้ตัวกิเลสมารของโยมเนี่ยมันก็คือไอ้พวกไอ้ที่ว่าโยมชอบไปส่องตรงนู้นส่องตรงนี้อะไรอย่างงี้ค่ะโยมโยมรู้แล้วเที่ท่านอาจารย์มาเข้าฝันโยมก็เพราะว่าโยมอาจจะมีตัวขี้เกียจอยู่ในตัวเยอะอแต่ครั้งเนี้ยโยมตัดตัวขี้เกียจไปแบบ เก้าสิบปอร์เซ็นยมทาดีมากยังเหลือสิบเปอร์เซ็นตัวที่เกลีดมันยังอยู่ะค่ะท่านอาจารย์ทำไปได้ดเอยๆย่างขโมยได้ใช่ค่ะนายยมก็จะน้อมนําบุญมาถวายท่านอาจารย์ค่ะนายยมจะมากราบขอพระคุณท่านอาจารย์และก็ตอบแทนพระคุณท่านอาจารย์ด้วยการสร้างบุญสร้างบารมีเจา้าค่ะ่ะปฏิบัติบูชานะใช่ค่ะนายยมก็จะขอ ตั้งสัจจะทำตลอดไปนี่แหละท่ไม่ไม่เว้นนะคะเพราะว่าโยมรู้ความกริงเดินใช่ทางนี้คือขังมบลังนะสาธุเจ้าก็โยมคิดว่าทางนี้เป็นทางที่ดีที่สุดของโยมแล้วค่ะสาธุขอให้พระอาจารย์ขันแข็งแรงสวัสดีปีใหม่ค่ะท่านอาจารย์สาธุสาธุอ่าใบเี่คุณชุกก่อเบยังขณะญี่ปุ่มีฉลองสงการหรือป่ ในมรสะการพระอาจารย์เจ้าค่ะคงคงมีเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่แต่หนูไม่ได้สนใจอ่ะค่ะ พ, พระอาจารย์อมสนใจภาวนายอย่างเดียวเดีวันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็มาฟังมีคําตอบไหมมีกำลังก็ตามหายอยู่ค่ะพระอาจารย์อไม่มีคํ า, า <c oughs> อตอบ ม, มาเล่าให้ฟังวันนี้ได้พบคาตอบ อกําลังตามหายอยู่ค่ะพรอาจารย์อืยังไม่ได้ร้องอ๋อเลยก็มีอย่างนี้อ๋อมีค่ะอ า, าจารย์เอเช่นอาจารย์อยากให้หนูเล่าให้ฟังเหรอคะล้า ห, ลหนู<า>ไม่ได้ฟองครับอาจจะไปเป็นวิทยาทานธรรมทานให้ก็การ สอนมานะคะพระอาจารย์ก็คือเราถ้าเราพิจารณาทุกอย่างเป็ น, นไตายแล้วแ่ะมันก็จะทันทันหมดเลยแล้วเราก็แค่เห็นว่าอ๋อทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็เป็นอย่างนั้นของมันอืมถ um ูกต้องเออไปคิดอะไรอย่าไปทุกข์กับมันใช่ไหมถ้าทุกข์กับมันก็แสดงว่าเราไม่เห็นที่ว่าเป็นอย่างนั้นพยายามให้มันเป็นอย่างนี้ใช่เห็นมค่ะเห็นแล้วก็อย่าไปทุกข์กับมันก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไป อืมหนูหนูไม่สามารถเล่าบอกว่าคือจริงๆบางทีมันมันเร็วมันไวจนไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้ค่ะพระอาจารย์เวลาเราเจออะไรยังไงมันเหมือนกับว่าหนูไม่สามารถจะมาพูดเหมือนเหมือนท่านทั้งหลายที่เก่งๆว่ า, เ, าเกิดดาวอะไรอย่างเงี้ยหนูหนห น, หนูหนูไม่เห็นนะคะพระอาจารย์มันมันไวกว่านั้นจนหนุมบางทีก็หาคําพูดที่จะเอามาพูดอย่างนั้ไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ <Yeah. S 1> อืม ก็แค่รู้ว่าเมันเป็นอย่างนั้นเรารู้ว่ามันเป็นอย่างงั้นอะไรอย่างนี้เราไม่ไปยุ่งกับมันด้วกันค่ะฟังอย่างนั้นนะคะปัหาคือเราเช่าไปยุ่งกับมันด้วยนะค่ะมันก็เลยวุ่นวายถ้าเราไม่ยุ่งกับใครเราก็จะไม่วุ่นวายค่ะอืมก็มีแค่นี้ค่ะแค่นี้แหละพอแล้วทำได้แค่นี้ก็จบแล้วเราเพิ่มเงินทุบสิ่งที่อยาก อย่าไปวุ่นวายแต่ว่าเป็นอย่างนี้แล้วโ <Okay. S 2> อเคกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะที่พระอาจารย์สั่งสอนมาค่ะพระอาจารย์ขอบคุณค่ ะ, ะคุณซันนี่ให้กลัมาวันไหนนะจัมเวลากี่วันวั้วันตรงกางหรือเปล่าใช่ค่ะพระอาจารย์วันวันที่สิบสามค่ะส3ามอือทำไ ม, ไมาปพิไปเลยไม่ยาโพูดคุย <laughs> แม่แม่แม่แค่ไปบอกพระอาจารย์ว่าติดดอยไม่ไม่กล้ารอฟังพระอาจารย์หรือว่าเดี๋ยวพระอาจารย์ดุแต่ว่าทุกข์ก็มันก็แล้วกันติดาปก็ติดไปค่ะคุณแม่ก็บอกว่าไม่ได้ถูกค่ไม่ได้ถูกค่ะพระอาจารย์รอบนี้พระอาจารย์เทศติดกัน7วันเลยใช่มั้ยคะ ก็ก็เป็นอย่างนั้นไฟบังคับจะทําไงไม่เทก็ไม่ได้พระอาจารย์เจ็บคอไหมคะพไม่เจ็บแล้วคุณยาติโยมฟังแล้วเบื่อแล้วบาแล้วมันน่าจะเป็นโบนัสของญาติโยมมากกว่าค่ะพระอาจารย์เต็มๆไม่ไม่ไม่ไม่ซ้ำซากเลยกลัวจะฟังแล้วซ้ำซากพระอาจารย์หนูหนูคิดว่าไม่ ฟังแล้วไม่ซ้ําค่ะเพราะว่าฟังพอฟังใหม่ถึงว่าจะเป็นรอบรอบที่เคยฟังมาแล้วเราก็เหมือนแบบได้อะไรเพิ่มจากจากรอบที่ฟังซ้ําอยู่ค่ะค่ะอาจารย์อ่าก็ดีถ้าไม่เบื่อก็โอเคก็พูดต่อไปไนดะ้ถ้าเบื่อเมื่อไหร่ก็จะได้หยุดพูดค่ะแล้วก็เวลาไปฟังยิ่งไปฟังหน้ากุฏิยิ่งรู้สึกมีความสุขค่ะค่ะอาจารย์นั่งสมายที่บ่านนั่งค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็ ก็ยังไม่ได้ไม่ได้สงบแต่ก็ก็ก็พยายามนั่งนั่งให้ได้เยอะที่สุดคนที่เขานั่งด้วยกับเราทั้งสงบเขาหนักวันดีไหมเงียบนะคะพระอาจารย์วันนั้นคือแบบเงียบมากเลยค่ะหนูยังแปลกใจว่าพอพอออกจากสมาธิแล้วเห็นเด็กเล็กๆหลายคนเลยก็เอ๊ะทำไม ทำไมเด็กน้อยเงียบกันขนาดนี้ทั้งๆที่ก็ร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่ก็คือแบบไม่มีเสียงเด็กเลยปกติจะได้ยินบ้างเลยแต่วันนั้นคือแบบเงียบเงียบสงบมากค่ะพระอาจารย์อืมทุกคนตั้งใจกันมากเลยค่ะอ่ามีโอเคมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีแล้วค่ะพระอาจารย์ถนอมท่าขันได้นะคะอ่าชาชุกชาชุกอ่าคุณปางวันอะไร จานมัสการเจ้าขาพระอาจารย์ก็พรุ่งมีไปวัดค่ะเหมือนเดิมค่ะเป็นวันสงการที่ไปวัดแล้วก็ช่วงสงการก็ทํางานเก็บวันหยุดสฉพาะที่มาวันตรีค่ะนี่โอเคไปเรื่อยๆไปเติมน้ำมันไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจนกว่าชีวิตจะหาไม่เลยค่ะนี่ปะชื่อขอบคุณทุกคนค่ะอ า, อาจารย์บอมพยยิไล แต่๋รวกมันคนในกูุ่ยังน้อยตื่นหรือเ่าอาจารย์มาสการ์า่รออยู่ค่ะกลับมาสการอาจารย์ต้องรอมันรายงานตัวก็ได้อยู่เป็นโบนัสใหม่เมอาทิตย์ถือว่าเป็นกำไรชีวิตกันนับตังแต่วันนี้ไปได้อยู่กี่วันเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นโบนัสเป็นกำไรไปเพอยู่นับวันพูดวันเดียวคนทีวันพูด รู้สึกจะขอยาวไปหน่อยก็สบายดีแต่อาทิตย์นี้อาจารย์รู้สึกจะทำงานหนักก็ต้องเทศบ่อยหน่อยใช่แต่ก็ไม่เป็นไรก็ทำหน้าที่ไปจเห็นวันสงกรานต์ก็สองชั่วโมงกว่าหลือเกือบสามชั่วโมงเลที่มินทบานนะทีินทบาทบานสองชั่วโมงสองชั่วโมงคนเจ0รกว่าคนวันนั้น ก็กะอยู่ว่ายาวเห็นคนแน่นแน่นมาก ๆ, ๆ, ๆหนึ่งนูก ว, ว่าสักแปดร้อยสอง 2> 2ชั่วโมงกว <700 S 2> ่า0แ็ดร้อยกว่าทุกคนก็ดูรอกันจะได้ได้ได้ใส่บานเมื่อไหร่ตอนเวลาไหนนะคะเพราะว่ายาวมากทุกคนก็ยิม้มยามจัสายเวลาใส่ไม่มีใครบน่นมีมีคนทุกคนมีความสุขมาเห็นจนจบจบทางที่จะ ขึ้นอนแล้วนะคะยังยาวอ้อมมามากกว่าทุกครั้งที่เคยเห็นแล้วคนคนคนนอกก็ตามปกติเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มากกว่าอันนี้ก็มากกว่าแต่ก็ไม่ได้เขาถ่ายทอดแค่วันวันอันที่กวันจันทร์วันศุกใช่ฮะมันสงกานมันพิเศษอะไรมาถ่ายทอดต่อยมมาเปิดเปิดดูตอนเช้า ก็ไม่เห็นวันอือนละวันนี้ก็ห้าร้อยกว่าค่ยอยลดลงเลยเขาคนก็ไปนักบุติเยอะอยู่นี่ค่ะก็ไม่มากเท่าไหร่ก็ประมาณตามปกติมาน้อยกว่าคนมีวันนึ่งอนสองสองร้อยสองร้อยสองร้อยกว่าใชเขาก็ตามตามดูรู้ใช้วันสงการอาจจะสองร้อยคนรู้สึกไปรับพลังกัน ปีใหม่ไทยีมีความอิ่มเอิบได้ทําบุญกันบุนนี่สําคัญที่สุดนะเราก็เร่งทําบุญกันทุกวันทุกวันเอ็กเล็กเล็น้อยบุญเราติดตัวไปได้เงินเอาติดตัวไปไม่ได้นะทําบุญให้คุณแม่ก็ปลื้มแลท่านในชีวิตโอเคดีโอเคใส่ลงมันพุทธนาวันพุทธาจะ เดินทางยมอย่างยังไม่เดินทางยังไม่เดินนะให้ยาได้ปิดอยูค่ะอยูไม่อยู่มาถึงเวลาแล้วขอแจ้งให้ทราบดีกว่าหนีไปกลับมาก็ยังได้เจอทุกพูดอยู่ค่ะยังได้พบกันทุกพูดไปเรื่อยๆกันโอเคสาธุค่ะค่ะสาธุค่าคุณจอยเขาลูกเล็งมา้ให้อะไรเง้ยไว้ ที่ตอนนี้นะไม่ไม่ไม่เฉลิมเฉลยแล้วเขาบอกว่าเขาจะเข้ามากราบมาจเข้ามากรับแล้วกราบแล้วเนาะกราบสามครั้งกราบพุทธลังกราบแล้วเนาะกราบพุทธชสองทีไกลสองข้างสองโอเควันนั้นลองจัมานั่งฟังเทศดูบ้างเลย นูหนอเคยพาไปแลองเลี้ยกลได้อยู่แต่ตอนเนี้ยไม่น่าไม่น่าไจเคยพาไปทีหนึ่งตอนนั้นเปนั่งไกลๆอะค่ะก็จะกลัวแล้วควรจะว่าใช่ไหค่ะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมได้ยังไม่ใส่บาทได้ก็ดีเท่ากับอืมก็ค่อยๆฝึกไปเดินมาใส่บาทก่อนได้ก็ดีเพราะจ้ะค่ะเออถ้าอยู่คนขู่กันแล้ว่าแบบ จะฆ่าตัวตายจะตายอย่างเงี้ยเราเราก็ควรปล่อยเฉยๆไปใช่ไหมคะแค่มันเรื่องของเขาอ่ะ<ช>เราไม่เราไม่ได้เป็นคนไปบอกใครเองใช่หนูก็คิดอย่างงั้นว่าเออมันมันคิดง่ายอยู่นะมันอยากจะตา ย, ตายกาย็เออตายเอาแล้วเรื่องของเขาจะทําไงได้ใชห้ามเขาได้ก็ลองห้ามดูแตขออย่าตายเลยชีวิตมีคุณค่าอืมคงไม่ได้หนูไม่ไดก็ปล่อยเข้าไป ว่าปล่อยเพื่อไม่ใช่ใครหรอกพ่อของเด็กและตอนนี้ก็มนุษย์ที่ไรอีกันฆ่าทั่วไป อ, อจจะไรก็อย่างจะมีอารมณ์ไปอย่างนั้น่ะพออารมณ์ไม่ดีก็คิดไปอย่างงี้เดี๋ยวอีสองวันอารมณ์ดีก็เลยไปแล้วะหนูก็เลยคิดว่าป่อจะเกิดเป็นมนุษย์ได้เหมือนที่แบบขั้นสอนใช่ไหมก็คือมีบุญแล้วแต่ไม่ไม่นี่ไม่เอามาทําประโยชน์นะใช่ค่ะหนู<ม>ก็เลยเออเท่าไหนก็เท่านั้นอามาทําบุญดีกว่าทําความดี งันไม่มีเงินก็ทำบุญได้เงินไม่จะไม่จำเป็นจะต้องมีเงินจะเป็นอาสาสมัครก็ได้อหน่วยกู้ภัยบอยเต้ยงอะไรไปทําได้อันนั้นนะดีดีด้วยนะคะเพราะว่ามันได้เห็นมันได้เห็นศพเห็นความตายใช่ใตลอดเวลาค่ะเห็นทุกมันจะได้ปรุงกันมากลิดมาอะไรเงี้ยใช่ค่ะมันก็มันก็เบาลงไปเท่าถ้าเแต่เหมือนเขาแบบ บางทีเขามันต้งกับตัวเขาเองหรนูก็เลยปฏิธรรมยังไงก็ปล่อยเข้าไปอจะทําให้รู้สึกว่าเราก็เราดีกับคนหนึ่งยอะนั้นเนี่ยคนหนึ่งแขนขาดขาขาดทุนหกตาบอดเรายังมีอาการก็สานที่สองนี่เราจะมาใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่เขาคิดไม่ได้คิดไม่เป็นอยากจะเอาเอาเงินอย่างเดียวอยากจะทําตามใจอยากอย่างเดียวใช่ค่ะมันพอไม่ได้ก็เสียใจโกรธแค้นโกรธเกินไ่ไดเรื่องอัตราตัวโดนท่านอะ ไม่เป็นปัญหาใช่ค่ะหนูคิดว่าเออหนูโชคดีมากที่หนูคิดได้ไม่ไงั้นหนูติดกับดักแน่แน่ี่ยเข้าไปเข้าไปจะช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาชวนเขามานั่งสมาธิได้ชวนเขามานั่งสวดมนต์ได้ก็ลองชวนดูจะชวนไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แล <c oughs> ้ก็ปงบอกสอนเราะว่าเออทีมี้คนเราจะไปแบบคือจะไปคิดเรื่งหนามัน มันไม่ได้อยู่ได้ถึงร้อยวันแบบแบบไม่ถึงอยู่ถึงร้อยปีได้อยู่แล้วอะ่ะมันได้แค่ไหนก็ใช่ด้วยขนาดเด็กก็ต้องตายอยู่ดีจนก็ต้องตายเหมือนกัน <c oughs> ใช่ค่ะแบบเหมือนที่เราไปเก็บศพเราก็เห็นเราดูไม่รู้ว่าเขาคือรวยคืจนอะ่ะคือสุดท้ายมันคือเหมือนกันหมดเลยอ่าเป็นเป็นสร้างสมัยกันหมดทุกคนใช่ค่ะใช่ค่ะมาแล้ว มันก็ดีที่เออแบบที่เราได้รู้อะไรอย่างนี้เราก็ได้ได้คิดได้อ่ะค่ะมันมันมันไม่ต้องเสียใจเยอะถ้าเป็นเมื่อก่อนกคงแบบเฮ้ยอย่าอย่าพูดอย่างนี้เลยเสียใจอะไรอยแต่กว่านี้ก็แล้วแต่แล้วกันเด้อวางได้ดีตัวใครตัวมันกรรมใครกรรมมันค่ะพวกนี้หนูเหมือนเดิมค่ะไปใส่ะาตรพวกนี้บรรพะพวกนี้บรรพะเนี้ยแล้วนะเอ็มดี ใช่ค่ okay, ะโอเคใชอให้ตัวกนญจเลยใช่หมใช่มทสี่ลยไหัวหนงสือมันได้การไม่ค่อยชัดเป็นภาษาอังกฤษซรินครับสรินคนซาินนะเห็นะคนุซาินเปิดเปิ ด, เ ป, ดเปิดไมค์ได้เลโอเคูดได้เลย ไ, ไ, ได้ยินได้ยินหรื อ, อยังคะได้ยินแล้ว ัวา<ะ>ค่ะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกค่ะมาจากที่ไหนนะ อ, อ, อยู่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์มีอะไรัหมค่ะมีมกาบเพียนถามนะคะคือที่พระอาจารย์สอนว่าร่างกายเราเนี่ยมันก็แค่ธาตุสี่ไม่ใช่ร่างกายของเราจริงๆทีนี้หนูอยากถามว่า ทำไมการฆ่าตัวตายเนี่ยถึงเป็นบาปหนักอะคะหันคือหนูมีเพื่อนที่ฆ่าตัวตายไปนะคะหนูก็หนูไม่รู้ว่าหนูจะช่วยเขาทำบุญอะไรยังไงได้บ้างอะคะอ่ะเพราะว่ามันทำด้วยความความโกรธความเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้มีความเมตตาอือเงนี่หนูหนูอ่อมันมีวิธีทาบุญที่สามารถช่วย อะไรเขาได้บ้างไหมคะคนที่ฆ่าตัวตายนี่ทำบาปหนักนี่มักจะต้องไปไปนรกนรกนี้ก็จะไม่สามารถออกมารับบุญได้ต้องรอให้เขาออกจากนารกมาก่อนเขาถึงอาจจะมาเรารับบุญได้แต่จะทําไปก็ได้แต่เขาจะได้รับหรือไม่นี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะาเราก็ไม่มียานอย่างทราบได้แต่โดยโดยทฤษฎีแล้วก็คนที่ทํำบาปเนี่ย ที่ไปนรกนี่จะไม่สามารถมารับมารับส่วนบุญได้ต้องเป็นพวกที่เป็นเปรตเท่านั้นถึงจะมารอรับได้คือต้องรอเขากลับมาเป็นเป็นเปรตอย่างนี้เหรอคะเขาถึงจะกลับมาหลับบุญได้แล้วถามอีกเรื่องนะคะก็คือถ้าตายปกติเนี่ยคนตายปกติเนี่ยตายแล้วไปไหนนะคะค เ, คเหมือนบบู่กจากล่างไปแล้วไปไหน ก็อยู่กนอยู่กับบุญกับบาปที่เราทำไว้ว่าอันไหนมีมากกว่ากันถ้าบาปมากกว่า บ, บุญก็ไปอาบายไปเกิดเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานไม่ตกนรกที่ใดที่หนึ่งถ้บุญมากกว่า บ, บาปก็ไปสวรรค์ชั้นต่างๆมุ่งหนทีนน่จะมายยงเอาดวงไปทัางใดทางหนึ่งบาปก็พยายามจะดึงไปอบายบุ่งเงยหนึ่งไปสวรรค์ แลแต่ฝาไหนมีกําลังมากเหมือนกันมันชั ก, กระเยาะกันนะค่ะขอบพระคุณค่ะพี่อมิตินฮะอ่ามี ม, มีมีเท่านี้แล้วค่คดีเพื่อนเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะ ต, ตา ย, ยไปใช่ไปขาดก็ขายกับเพราะว่าไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาค่าตัวตายปัญหาเดิมกยังอยู่ บาตัวที่สรค่ะค ว, ความทุกข์ก็คือกิเลสของเราเยเราฆ่ากิเลสมนนามหมดปัญหาฆ่าความาจริงๆเขาบอกว่าเขาไม่อยากเป็นเป็นภาระนะคะเขาบอกว่าคือเขาไม่สบาย อ, อแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ไม่อยากเป็นภาระให้กับคนข้างหลังนะคะเขาก็เลยแบบเพราะว่าการรักษาเลย ก็ไม่ได้ไปบังคับใครนี่ยใอยากจะรักษาก็รักษาก็ไม่ได้มองว่าเขาจะได้ทำบุญกับเราบ้างเลเขาช่วยเราเขาจะถูกจับไปเขาจะถูกจับไปรักษานะคะถ้าเกิดว่าเขาเขาไม่ถ้าเขามีชีวิตอยู่อะคะ่ะพ่อแม่เขาก็จะจับเขาไปรักษาแล้วก็เขาก็บอกเขาไม่อยากเห็นตัวเองอยู่ในสภาพแบบ ที่เดินไม่ได้หรือว่าอะไรแบบนี้แล้วว่าค่ ะ, ะก็เขาบอกเขาไม่อยากเป็นค<า>่ะก็บอกบอกพูดดีๆก็ได้ว่าไม่อยากจะรักษาขออยู่อยู่ตามอัตภาพไปไม่จำเป็นยังต้องฆ่า ด, ดดตายไม่จำเป็นทันหรอกค่ะอืมการฆ่าดูตายมันเป็นบาปเพราะการฆ่านี่มันเกิดจากความโหดร้ายทารุนจิตใจของจิตใจทำไม ขึ้นหนูด้หนูเคยได้ยินนะคะว่ามันเป็นบาปแบบสูงมากเลยทําไมาถึงสูงมากล่ะคะเพราะว่าเราไม่รักใครมากกว่าร่างกายของเราถ้าเรามาฆ่าร่างกายเรแสดงว่าเราหลงมากเราหลงมา ก, กาแสดงว่าเป็นบาปหนักไปขึ้นมาอืมอ่าค่ะ ไม่เป็นไร<อ> จ, ะจะหนังหรือจะเบามันก็ก็ไม่ดีเท่านั้นแนหะถ้าเราเข้าใจก็ไม่เป็นไรเพราะเราเข้าใจว่า <c oughs> การฆ่าไม่ว่าจะฆ่าใครมันมันไม่ดีเท่านั้นแนหะอยา่างฆ่าเพราะมันไม่ได้จะเป็นการแก้ปัญหาตัวที่เป็นปัญหาก็คือตัวกิเลสไปฆ่าตัวกิเลสดีกว่าอภักุลค่ะพระอาจารย์า ไปที่คุณมฬิกาต่อมริก า, ากลาวนามัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะแล้วก็มาเร่วมรับฟังธรรมเจ้าค่ะพระอาจารย์นนอเคครับคุณปูป่เป้มีอะไรไหมกลาวนามัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์นนาาได้ยินหนูนะเจ้าค่ะอ่าได้ยินจ้ะ ค่ะพระอาจารย์โอห้หนูก็ได้ฟังทำค่ะพระอาจารย์ประเด็นตัวของหนูคือมีปัญหาทุกทางกายเยอะเนี่ยค่ะแล้วได้ของดีทางใจคือธรรมโอสถเนี่แหละค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็เลยเฉยๆกับร่างกายแล้วก็เป็นของดีจริงค่ะพระอาจารย์ถึงแม้ว่าอยู่กับยาอะไรเงี้ย ที่รับประทางใช่ไหมคะแต่พอมาได้ของดีทางใจจากการฟังทำปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะพระอาจารย์มันก็เลยไม่รู้สึกปัญหาทางใจะคะ่ะก็ประเด็นเรื่องการพอหลายๆคนเขาแบบสงสารเนี่ยค่ะพระอาจารย์ตัวหนูเองหนูพอได้ของดีทางใจหนูคิดว่าโอ้มีความสุขแบบเหมือนชนะชนะเลิศที่ว่าได้จัดการกับกิเลสในใจค่ะพระอาจารย์ ประเด็นคือตัวร้ายสำหรับหนุือกิเลสเนี่ยแหละค่ะความอยากต่างๆแต่พอดีได้ของดีที่ว่ามีพระอาจารย์เหมือนเป็นโค้ดนะคะพระอาจารย์ที่ให้เราแบบสู้กับความอยากเนี่ยแหละค่ะพระอาจารย์มันก็เลยแบบถึงแม่ร่างกายมีปัญหามันก็เลยไม่ได้มันมีปัญหาค่ะพระอาจารย์มันก็เลยแบบฉันจัดกา ร, รากับก<า>ิเลสยอ ม, มรับกับสภาพของเราได้ใช่ค่ะพระอาจารย์เพราะว่า ประเด็นตรงนี้นะคะที่หนูชอบประเมินเพนสกอรความปวดเนี่ยคะ่ะพอมาได้ของดีทางใจมันไม่ค่อยอะไรกับร่างกายจริงๆนะเจ้าขนะ่พรนะอาจารยนะนะนะ์ที่ผ่านมาสามีอยากจะไปดำน้ำกับลูกค่ะพระอาจารย์ตอนช่วงสงการที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะก่อนที่จะไปะชนบุรีไปตับบาดค่ะพรนะอาจารย์นะหนูก็ไปกับเขานะคะก็แบบลองไปกับเขาลองไปก็ไป ดำน้ำได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ขึ้นอ่ภูเขาอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้สึกเหนื่อยที่ละนองค่ะก็เลยแบบเพราะว่าใช้สติค่ะพระอาจารย์เดินอยู่กับการก้าวเท้าค่ะไม่ให้คิดอย่าไปคิดอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยบอกว่าโอ้ของดีคือการมีสติอย่าไปคิดคิดมันก็เหมือนกิเลสมาหลอกเราอะค่ะพระอาจารย์ก็เลยโอเข้าใจคําสอนของพระอาจารย์เลยค่ะว่าอยู่อย่างมีสติตั้งแต่เปิดตาขึ้นมาค่ะพระอาจารย์ S <S คือพยายามถ้าคิดนี่มันเหมือนความฝันเลยนะคะพระอาจารย์เหมือนจินตนาการกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะอาจารย์มันก็เลยแบบพอเราจินตนาการเราทำไม่ได้มันก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมานะค่ะอาจารย์เสีอใจทุกใจอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะหนูก็บอกว่าอู้มหนูได้ของอาจารย์คะหนูได้ของดีการผ่าสมองนี่มันดีเหมือนเด็กเกิดใหม่เลยนะเจ้าค่ะอาจารย์ตอนแรกหนูนึกว่าจะเป็นแบบคนที่ทําอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ แบบเป็นเหมือนคนทุกข์แบบเป็นอรรมพาศอย่างเงี้ยคะ่ะพระจานทร์แต่เพราะได้ของดีทั้งใจแข็งแรงมากเลยคะ่ะพระจานทร์อโอหนูก็เลยว่าโอของดีของการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ก็เลยบอกเราต้องลุยคะ่ะพระจานทร์แล้วก็มีครูบาอาจารย์พร้อมเหมือนมีโค้ดเลยคะ่ะพระอาจารย์แล้วก็ฉากกับกิเลสในใจเราเนี่ยแหละคะ่ะไม่ต้องของคนอื่นของตัวเราเองคะ่ะพระอาจารย์ก็เลย เป็นของดีสําหรับหนูเลยคะ่ะเหมือนนักกีฬาเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เนี่ยเป็นบุญของหนูแล้วเป็นโอ้พระอาจา ร, รยรา์หนูไม่หนูชอบฟังธรรมฟังเทนนะคะพระอาจารย์ตอ น, นเด็กๆหนูเป็นเด็กโรงเรียนวัดค่ะวัดโบสถ์ค่ะพระอาจารย์เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดชอบอถือไม้สวดมนต์ค่ะพระอาจารย์อตอนไปโรงเรียนค่ะปฏิบัติธรรมค่ะพระอาจารย์ก็เลยได้ได้ของดีค่ะอื ทําตามายรักษาใจด้วยทางร่างกายครับปล่อยให้เป็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วค่ะอาจารย์หนูระบบปั๊ดของอาจารย์คงจริงฟันทงได้เลยค่ะเห็นจริงค่ะอาจารย์หนูก็เลยมีแต่แชร์อย่างเดียวค่ะอาจารย์ของดีค่ะอาจารย์ธรรมโอสถค่ะอาจารย์ประเด็นคือหนูผ่าตัดเยอะอาจารย์แล้วหนูใช้ค่ารักษาเกี่ยวกับร่างกายเยอะ ของประเทศอะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าผ่าต <underlying> ัดมากจนเสียค่าใช้จ่ายเยอะหนุก ant, ็เลยบอกว่าตอบแทนประเทศคืนพราะจ่าก็เลยแชร์ของดีเลยล่ะคระก็ดันอยู่กัตเตเวทีเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอบแทนประเทศคืนค่ะพระอาจารย์สาธุเลยสาธุหายไปเลยคุณหมอลงเร็วจนนวัตการครับพระอาจารย์อืมเป็นยังไงหายไป อัลผ่าตัดตาพอที่จะผมไปผ่าตัดที่บอกพระอาจารย์นะครับที่พระอาจารย์อวยพรเรื่องผ่าตัดตาครับอืพอครับพอดีต้องนอนอาทิศหนึ่งนอนราบเลยครับพระอาจารย์เพราะว่าพอผ่าเปลี่ยนกระจกตาก็คือจากจากคู่เสียชีวิตนะครับคู้บริจาคแล้วก็ต้องนอนราบอย่างเดียวครับพระอาจารย์อันนี้สายสายแจ๋วเลยโอ้เจ๋วเลยครับเหมือนที่พระอาจารย์อวยพรประทานพรได้เลยครับ ตาข้างขวาเนี่ยดีตาข้างซ้ายเพราะว่าผ่าที่ะข้างครับพระอาจารย์อตอนก็ก็เป็นเรื่องที่แบบแบบผ่านมาได้บุญวิณครับพระอาจารย์ก็ตอนวันจะผ่าเนี่ยตายังอยู่ที่สิงคโปร์อยู่เลยครับค่อยๆบินมาเป็นตาผู้ริจจรต่างประเทศครับอืมครับแล้วพอพอผ่าเสร็จช่วงแรกก็กระจกตาลอกครับพระอาจารย์ก็ได้แต่นอนแล้วก็ทำสมาธิไปบางทีมันก็ติดไม่หมดนะครับ ก็ต้องลุ้นว่าจะจะลอกไหมจะเนื้อเยื่อจะเข้ากันได้ไหมครับพระอาจารย์สุดท้ายก็ดีครับสุดท้ายถึงวันนี้ครับก็ได้ขึ้นมานั่งเป็นวันแรกละเมื่อวานยังต้องนอนอยู่เลยครับยังต้องทำอีกข้างเลยต้องอีกข้างครับพระอาจารย์อีกแล้วแต่คุณหมอเขา แ, แต่ว่าถ้เาเขาเก็บสําำรองไว้แล้วเนะี่ยเขาต้องคอยเก็บจะ คูบริจาคครับพระอาจารย์ต้อง้อยร้อยคนมีร้อยคนมีเสียชีวิตครับคือคือมาคู่หนึ่งก็ใช้ได้สองคนครับพระอาจารย์แบ่งกันตาข้านครับตาข้างหนึ่งไปให้คนหนึ่งตาข้างหนึ่งไปให้คนหนึ่งครับออืมยังไงจะได้เห็นข้างนึก็ยังดีนะได้ครับอย่างน้อยผมว่าข้างหนึ่งนี่ก็ดีใจแล้วครับเพราะว่าตอนที่ผ่านมาทํางานลําบากมากครับพระอาจารย์จะมองเหมือนจะเป็นหมอกคะเป็นฟ้าฝ้าตลอดเลยตอนนี้ก็ได้เห็นชัดแล้วครับพระอาจารย์อืม ตอนนั้นก็ตั้งใจอธิษฐานว่นเาเรานะเกิดหมายครับอาจารย์ว่าผมจะตั้งใจสร้างบุญบรารมีช่วยเหลือคนครับอาจารย์ช่วยเหลือคนใครตั้งใจทำงานแล้วก็ช่วง ท, วงที่ช่วงที่ออกมาจากห้องผ่าตัดครับอาจารย์ก็ต้องนอนนิ่งๆช่วงนั้นผมก็ทำสมาธิตลอดพุทโธตลอดครับอาจารย์ปรากฏว่าโชคดีครับอาจารย์ได้ได้นิ่งแล้วก็สว่างวูบแบบลึกๆอะครับอาจารย์ ได้สองสาครั้งอะครับพรระอาาจผศในรอบในรอบสิบสองวันนี้นะครับอืม mm hmm. ได้ประมาณสามครั้งครับพระอาาจย์แต่ว่าก็ได้พบสิ่งหนึ่งว่าถ้าเรายัางยังไม่ปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะหลุดไปง่ายครับืม mm hmm. ก็วันเนี้ยที่ย์ถามว่าได้อะไรอกอไหมผมก็นั่งฟังแล้วก็หลับตาพุโทโธตลอดก็ได้ข้อคิดว่าได้ได้ได้สิ่งหนึ่งว่าจริงๆถ้าเราพุโทโธตลอดได้แบบเนี้ย มันก็จะซนกว่าจริงๆครับอาจารย์อืมคือต้องพุดโธตลอดจริงๆผมๆผมคิดว่าแบบจริงๆครับอาจารย์ไม่งั้นเราแพ้ครับบางทีบางทีตอนที่บางครั้งก็เข้าง่ายมากเลยครับพอาจารย์ที่ผมเคยผมมาเข้าห้องห้องเรียนเนี่ยประมาณน่าจะห้าหกเดือนได้แล้วนะครับพระอาจารย์แต่ว่าบางช่วงเนี่ยก็เข้าได้ง่ายมากบางช่วงเข้าไม่ได้เป็นเดือนๆเลยครับอาจารย์ เข้าถึงความสุขสงบที่ว่าลึกๆกันนะครับใช่ขณะที่สติบางดีแล้วพังเพล่ครับถ้าถ้าถ้าจะทําได้ต้องต้องพุตโธต่อไปหลายจริงครับอาจารย์แล้วก็สํารวมไกายวาจาใจครับต้องพยายามไม่ไม่พูดไม่อะไรเลยครับไม่พูดไม่กิดแล้วก็ไปดูไม่ดูสิ่งอื่นเพื่อครับอาจารย์เนี้ยครับครับอันนี้ก็คือที่ที่ได้จากช่วงเนี้ยนะครับอาจารย์ผมเลยว่าเดี๋ยว จะลองเริ่มตั้งแต่ฝึกไม่พูด่ะครับอาจารย์พูดใหน้อยที่สุดแล้วก็พูดโพลพุดทไวมากที่สุดแล้วก็พยายามไม่เอาไม่ไปดูอะไรที่มันไม่จาเป็นต้องดูครับอาจารย์ครับครับผมผมคิดว่าจะได้เท่าถูกใจเจ้าสานุกมากกว่าไม่มีอะไรด้เท่ากับความสงบที่เกิดนีครับเรื่องจริงแล้วอาจารย์ตอนที่นอนอยู่ที่เฉยสิบกว่าวันเนี่ยกลับกลับมีความสุขมากนะครับอาจารย์ผมว่าใจสงบใจสนุกตอนก็ที่ตลาดเวลา เราปรจันเราทําอะไรไม่ได้ครับประจันคืออะไรพุโทโพุโทโธตลอดพุทโธไปพุโทโธมาครับวิกฤตมาเป็นโอกาสครับครับาจาจันก็เลยสงบมีความสุขก็บอกให้ภรรยาฟังอะครับโอภรรยานอนเฝ้าอยู่ในหว่าเนี่ยมีจังเลยนะครับแต่พอเ ร, เริ่มจะเริ่มจะรู้เรื่องได้เนี่ยครับประจัเริ่มที่ขยับได้เริ่มจะดูโทรทัศน์ได้เนี่ยไม่สงบแล้เปิดโทรทัศน์ดูดูข่าวดูสารภาพเลกประจันมาดูเรื่องการลบกันวมาดูเรื่องวิกฤตการณ์ต่างๆ หีือยิ่งยิ่งไม่สงบเลยครับพาาะะระอาจารย์อืมก็เลยแล้ววันนี้ตอนที่มาฟังธรรมก็ฟังไปช่วงหนึ่งครับพระอาจารย์มันก็วุกได้ครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หลงลึกนะครับผมเลยจะเรียนถามอาจารย์ว่าบางครั้งแค่เราเราสวมดมนต์หรือเจริญสติครับพระอาจารย์ทำไมบางครั้งมันก็สว่างได้มากๆมากวก็เหมือนเราตดหลุงได้ด้วยอะครับพระอาจารย์ก็เพราะสติมันต่อเนื่องนะมันก็เหมือนเราสมาธิเป็นคณิกะสมาธิใช่<า>โอครับพระอาจ<พ>ารย <okay. S 2> ์ ครับคือผมเนี่ยมีประสบการณ์เวลาส่งคนบางทีดีดีบางทีมันเข้าได้ในทุกเยรียาบนนี้โอ้โหครับอาจารย์เมือนที่เคยเรียนพระอาจารย์ว่าตอนไปใส่บาตรพระอาจารย์ครั้งหนึ่งก็ใส่บาจี้เฉยก็ุ๊มีขอมสุกขึ้นมาเออครับซึ่งมันก็แปลกแต่ว่าผมมันมีปัญหาตอนที่มันตอนนี้คือว่าจะทําให้มันเข้าแบบเนี้ยียนเข้าไม่ไม่ไม่สามารถทําให้มันเข้าได้ง่ายครับอาจารย์ไม่ไม่ไม่สามารถมันต้องมีความอยากถ้ามีความอยากสางดานมันจะไม่เข้าต้องโอ้โหครับ ครับเป็นเมนรู้ไม่ชี้ไปบอกครับพระอาจารย์อืไก่ไก่เรื่องหนึ่งที่เคยเรียนพระอาจารย์ว่าอปปนาสมาธิอะนะครับอันนั้นคงต้องแบบพยายามมากๆเพียรมากๆเลยนะครับอืมต้อนั่งเฉยๆนั่งนิ่ๆมนานวันนั่งวันว่างต้องนั่งทั้งวันเลยพระอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไปปฏิบัติตูนะครับพระอาจารย์ตั้งแต่วันนี้ไปถ้าว่างเนี่ยผมจะนั่งนั่งให้ได้เป็นแบบชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงมแบบนี้เลยครับสติต้งต่อเนื่อนะ ทับทั้งวันตัง้งแต่เช้าใช่ไหมครับรอาจารย์ทอทมครับครับให้สัจจปั ญ, ญญานะครับอาจารย์เดี๋ยววัอาทิตย์อทําให้ได้อาจารย์ถ้าแข็งแกร่งนะครับกลับประพูตกอาจารย์ที่อวยพรครับผ่านไฟเขียวทุกอย่างเหมือนที่อาจารย์บอกเลยครับอดีมากอตาตูครับโอเคอาจารยคุณพรเพนตาคุณพรเพนไยนไหมเชิญเปิดไมค์ก่อนเนี่ย อาพูดดอะอาจารย์ได้ยินไหนไมครับต้องพูดดังๆหน่อยจ้าเอ่ออาจารย์พอดพอดีคำถามที่อยากถามมีคนถามหนูได้คำตอบแล้วค่ะเรื่องเรื่องเรื่องค้นค่าตัวตายหนูหนูยังทุกทุกเพราะว่าสงสารเขาค่ะนึกว่ามีอะไรที่เราพอจะทำให้เขาได้เบาบางลงมาบ้าง ก็ทําบุญไปทิชไปนี่ค่อยจะทำทุกวันนะหนูต่ําทุกวันอืมแต่แต่มันก็ยังมีความเป็นห่วงว่าเขารับไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เนื่องจาะเนี่ยเขาไม่คิดเขาไม่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมนะเขาเชื่อแต่อย่างเขาจะเขาจะไม่กล้าทำทำบาปขนาดนี้เดียวที่เขาเขาพลาดอพลาดไปแล้วมันกลับไม่ได้อืม หนูสงสารเพราะว่าเขาเป็นคนดีมากอมไม่เคยก็ไม่เป็นไรพร <c oughs> ะพเจ้าบอกว่าหลังจากออกมาจากใช้บาปกรรมแล้วยังสามารถกลับมาทําต่อทําในสิ่งที่ดีๆที่ตนเองได้ทําไว้ตอ่อได้หนูหวังว่า้เขาได้มาได้ถูกทางอืเขานนไม่ได้ต้องไปรับโทษก่อนอพยายามคิดว่าทําอะไรที่จะช่วยให้เขาเบาบางลงมาได้บ้าง ถ้าเขามีนิสัยชอบความดีเดี๋ยวเขากลับมาเขามาทำต่อได้เจ้าค่ะอยู่หรูไแ้่หาโอกาสไปกลับอาจารย์ที่วัดได้จ์เชิญเชิญทุกวันเสาร์ทิตวันพระวันหยุดราชการนะเจ้าเจ้าค่ะอขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณ น, นัดนัดาหรือเ่าชื่ออะไรก็ขอไป้วย เปิดไม่ตัวเนี่ยเปิดม่กั น, นะ น, กนยังไม่ได้เปิดอ่าปูดได้แล้วนำ้ำมัสการเจ้าค่ะนัทวดีค่ะนัทวดีขอบใจด้วยบังจากจังหวัดเชียงใหม่คะ่ะเพิ่งเข้ามาอ่ารับชมทางห้องซูมของพระอาจารย์คะ่ะแต่ว่าก็ติดตามฟังทางเพจบุ๊กติดตามฟังธรรมะของพระอาจารย์ช่วงบ่ายสองค่ะค่ะ mm hmm. ก็ฟังแล้วก็อืมฟังธรรมแล้วก็ ทำสมาธิค่ะพระอาจารย์ก็ mm hmm. ทำสมาธินี่ก็ฝึกมานานค่ะแต่ก็ยังไม่เก่งค่ะพระอาจารย์ก็มีบางทีก็นิ่งบางทีก็ยังวุ่นวายอยู่ค่ะ mm hmm. อืมทีนี้ยหนูมีคําถามจะถามพระอาจารย์นะคะคือตอนเนี้ยอ่หนูอยากจะขอคขําแนะนำค่ะพระอาจารย์คือหนู่มีลูกสาวที่เขาอยู่ในภาวะซึมเศร้าทีเนี้ยหนูก็ พยายามจะสอนให้เขาฝึกสมาธิแต่เขาปฏิเสธแต่เขาปฏิเสธการใช้ยาด้วยเลยอยากจะขอคำแนะนำผูาจารว่าะจะจะทำยังไงเวลาเราอยู่กับเขาเนี่ยบางทีเราก็มันมันบางทีมันก็ ก, กระทบเนาะกระทบอารมณ์บางทีเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลยว่า เ, ออเราจะอยู่กับลูกอยู่แบบไหนถึงจะสงบใจได้ บางทีก็เป็นทุกข์แต่ก็เอาน้อมนำคำที่อาจารย์สอนน่นะคะมาใช้อยู่แต่บางทีเราก็ทำไม่ได้บางทีก็หลุดนะคะอาจารย์จะขอค <ขอ S 1> <อ>ำแนะนำค่ะพยายามฝึกกุเบรรรขาให้มากๆฝึกสมาธิให้มากๆระ ว, วางเฉยปล่อยเข า, าเขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยเขาไปเราห้ามก็ไม่ได้เขาก็บางทีก็ห้ามตัวเขาเองไม่ได้เขาก็ถูกอารมณ์ครอบ เราต้องใช้ความเมตตาสงสารเขาเห็นใจเอาเขาอยากจะระบายอะไรเขาอยากจะพูดอะไรก็ปลไปก็พูดไปทำไปอุเบกขาอย่างเดียวใช่ไหมเจ้าค่ะอุบกขาด้วยเมตตาด้วยเมตตาด้วยเมตาม ต, ามตาสงสารอถ้าเป็นเป็นการทําให้เขามีความสุขก็โอเคไปก็ทำไปเจ้าค่ะก็ก็เนี้ยค่ะ ก็ได้ได้คำแนะนำจากพระอาจารย์นี่แหละที่ใช้วิธีฝึกสมาธิเพราะว่าแต่ก่อนก็ทุกข์ใจมากว่าเราหาทางออกไม่ได้ก็มานั่งสมาธิค่ะดูลงหายใจเนี่ยค่ะใช่ทาใจสงบแล้วเราจะไม่โอเบตคามเพิ่มมากมัางเฉยได้มากขึ้นเจ้าค่ะเจ้าค่ะเป็นเขาก็เป็นเรื่องบุญกรรมของเขาไปเจ้าค่ะทำอะไรไม่ได้เนาะเราก็ทำเต็มที่แล้วแนะนำแล้ว แล้วนนําแล้วเขาไม่ตามตามเขาคือเขาไม่เชื่อเราก็ไม่าะทำอืมไม่็จเย็นๆเขาอาจจะก็อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้เจ้าค่ะแต่ก่อนเขาก็เป็นคนอ่าสมัยแต่ก่อนเขาก็ชอบไปทางคือคุณแม่พาพาไปปฏิบัติธรรมเขาก็ไปทำอยู่นะคะแต่พอเขามาเป็นวัยรุ่นแล้วเขาเขาไม่ไปทางอืมนะไม่มีอะไรแน่นอนมองอย่างนี้เดี๋ยววันน้าข้างหน้าจะพี่กลับมาทางนี้ก็ได้เจ้าค่ะอืา อันนี้ก็ใจเย็นๆไว้แม่ตายเขาไว้มีตายมากๆฉันมีตายมากๆ <c oughs> าคนเป็นแม่แล้วก็สงสารด้วยสงสารเขาได้แต่ว่าไมบางทีปัญหาเล็กนิดเดียวทําไมเขาผ่านไม่ได้อ่ะอืมเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขามากแหละละองมันเป็นปัญหานิดเดียวแต่เขาผ่านไม่ได้ย้าคิดย้ําทํากังวลคิดมากอย่างนี้ใช่คะ่ะไม่ๆก็อาจจะเกิดปัญญาขึ้นมาวันใดวันหนึ่งก็ได้สาธุ ไว้ถึงตอนั้นเดียวเ <Okay. S 2> <c oughs> จ้าค่ะกอบคุณอาจารย์อาจารย์นะคะที่ให้คำแ น, นจะนำจะน้อมนำเอาคำสอนของพอาจารย์ไปฝึกปฏิบัติทุกวันนี้ก็ฝึกสมาธิอยู่ค่ะฝึกใช้ ม, มากๆฝึกสติเวลาที่ไม่นั่งสมาธิก็ต้องฝึกสติไปด้วยเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิจิตจะสงบได้ง่ายขึ้นเจ้าค่ะโอเคไม่มีอะไรนะ ในปีออ<ด>ค่ะกลับกลับขอบคุณจาค่ะพระอาจารย์สาธุไปที่คุณนาลีต่อคุณนาลีตามหลวงพ่อคยังไงไม่มีปัญหากับลูกนยมีไหมไม่ไม่มีค่ะหลวงพ่อก็่อยเขาได้นะปล่อยปล่อยวางได้ค่ะหลวงพ่อก็อหนูก็ ดูใจรักษาใจก็ไม่ไหลไปตามความคิดตามอารมณ์อาการอะไรแบบนี้ยค่ะหลวงพ่อ<ม>ก็รู้เฉยมันก็มันก็วางวางไปเองค่ะหลวงพ่อมันมันเกิดที่ใจมันก็ลงที่ใจค่ะหลวงพ่อแล้วก็มองว่าทุกสิ่งเอ่ยมันมันไม่มีอะไรที่เกิดแล้วมันไม่ดับอ่ะค่ะหลวงพ่อถก็เห็นแบบนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตแบบง่ายขึ้นค่ะหลวงพ่อมัน มันไม่ทุกข์ไม่สุขมันก็รับรับทุกสิ่งค่ะหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อมันคือแค่ยอมรับต่อความเป็นจริงแล้วก็อยู่กับปัจจุบันอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อไม่ไม่ไปไม่ไปแก้ไม่ไปผ่านทุอย่างไม่ยงยืถาวรทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดเลยนะเกิดดำมาแล้วก็ไปใช่ค่ะหลวงพ่อ มันถ้าถ้าหนูออกไปวิ่งตามเนี่ยมันก็ทุกนันักขนาดนั้นตอนนั้นเดี๋ยวนั้นอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่ถ้าเรารับได้แล้วแล้วเราก็วางเฉยได้ใจตงกลางแบบนี้ค่ะหลวงพ่อมันมันก็อยู่ได้ค่ะหลวงพ่อ ม, มันไม่ไม่มีอะไรค่ะหลวงพ่อมันมันมาแล้วมันก็ไปเหมือนที่หลวงพ่อบอกค่ะหลวงพ่ออืมค่ะอยู่ได้เด็กอ๋อใหใจเราเน้นใหใจเราสมองอย่างเดียว ค่าหลวงพ่อมันอยู่ที่ใจค่ะหลวงพ่อ อ, อยู่ที่ใจลงที่ใจค่ะค <Yeah. S 2> ่ะโอเคษาใ okay. จายอยู่ในความสงบไปตลอดนะค่หลวงพ่อกล่าวขอบพระคุณหลวงพ่อมากมากค่ะ yeah, สาธุสาธุค่ะอ่าบปที่คุณล้าต่อคุณล้ามีคาถามไหมกล่าวนมรดการคะ่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสี่คถามจากทางเฟเจ้าคะ่ะคาถามแรกจากคุณ น, นุช ขอน้อมกราบนมัส ก, การเจ้าคะ่ะอยากถามว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ไหมเจ้าคะว่าเราเป็นคนธรรมดาหลังจากสวดมนต์เราสามารถแผ่บุญกุศลให้คู่กรรมคู่เวรได้ไหมเจ้าคะท่านสอนวิธีแผ่บุญกุศลดนะ้วยการวิธีอื่นท่านไม่ได้สอนเร่อยากจะทำบุญ ไกับพวกทีลนลุ ก, กนับไปแล้วเพื่ทำบุญจัดไทยบาทอย่างนี้เป็นต้นวก็อุทิศบุญได้อย่างเร่อการ น, นั่งสมาธิแล้วจะไปไปเพื่อบุญร่วมถ้าไม่ได้สอนให้ทำอย่างนี้คำ ถ, ถามต่อไปการพิจารณาขันห้าควรเลือกพิจารณาตัวใดตัวหนึ่งหรือพิจารณาพร้อมๆกันไปขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำครับ ก็มีสองตัวทั่เราต้องรู้ตัวแรกก็คือรูปก็คือร่างกายต้องพิจารณาว่าไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บไา้ได้ป่วยแล้วก็ตายไปห้ามไม่ได้อย่าไปอยา ก, ยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะอยากแล้วมันจะทุกข์ถ้าไม่อยากแล้วก็จะไม่ทุกขนะ์ตัวนีตัววิธนตัว ตัวนามขันสีนี้เราก็ดูที่ตัวเวทนาตัวเดียวเวทนามันก็มีสามชนิดมีสุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยา่าไปรยากให้มันสุขอย่างเดียวต้องอยอมต้องรับประกับมันให้ได้ทั้งสามอย่างสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้เพราะมันเป็นอนัตตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้คำถามต่อไป การพิจารณากายควรเลือกพิจารณาเจาะจงส่วนใดส่วนหนึ่งและไม่ควรเปลี่ยนส่วนที่พิจารณาใช่ไหมครับก็มันมีหลายมิติที่ต้องพิจารณาความไม่เที่ยงง่านหนึ่งร่างกายเปลี่ยนไปเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี้เรียกว่าอนิจจันนะแล้วก็พิจารณา อ, อนัตตาไม่มีตัวตนก็พิจารณาดูว่าเป็นทรมาจากดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่ง ต้องก็พิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกายด้วยการดูอาการสามสิบสองของร่างกายแลวดูสร้างศพเวลาที่ร่างกายตายแล้ ว, วกายเป็นสร้างศพก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่น่าดูเลยแต่ถ้าไม่ไปหลงรักใครก็มีอยู่สามมิติด้วยกันคำถามสุดท้ายจากคุณทอธรรมชาต ตั้งแต่ปฏิบัติเจริญสติสมาธิลดความโกรธโมโหน้อยใจได้มากจนนิ่งมากขึ้นเจ้าค่ะกราบเรียนถามการม้างกายเหมือนหรือแตกต่างจากการพิจารณาอสุภะหมายเจ้าค่ะเราก็ไม่แน่ใจเรื่องคำว่าม้่งกายนะเพราะเราไม่ค่อยได้ไม่ไม่ไมค่อยได้ยินในฟังม า, มากเท่าไหร่ใครรู้ก็ช่วยตอบให้ด้วยก็ได้ ม้างไปว่าอะไรม้างเนี่ยรูสึกจะเป็นประหาทางอีสานเคุณแนันย์ก็ให้คุณแนนตอบเลยนะมังกายเป็นยังไงฮะนันย์พูดได้ไหมพูดภาษาอีสานก็ไม่เก่งต่อค่ะบอกวามังกายนี่า็วเข้าว่าไงไม่ทราบเหมือนกันนะ ใช่หนูก็พิจารณาอสุภาอย่างเดียวค่ะแล้วก็ดูภาพศพอะไรนี้แค่นียค่ะแต่างกายหนูก็ไม่เข้าใจค่ะในเอกสารพอค่ะโอเคขนาดเป็นคนเอเีส า, ารไม่เข้าใจเลยเราทางกาังไม่เข้าใจเลยต้องไปถามคนอาจารย์กรบาอาจารย์ทางที่เป็นคนเอกสารดนดีกว่านะท่านน่นาคําตอบหมดแล้วยังแปลว่าพังเจ้าค่ะอาจารย์มั้งแปลว่าอะไรนะแปลว่าพังเจ้าค่ะ พังเหมือนเลื้อเหมือนเหมือนพังเหมือนเลื้อทำให้พังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลื้อถรนลื้อบ้านเลื้อบ้านเลื้อตะเลื้อบ้านร่างกายก็แยกมันเป็นชิ้นส่วนไปเอาแขนเอาขาแยกออกไปเอาตาเอาไตไปกระติกระตาอย่างเงี้อ่ากบพี่นะให้ให้นว่ามันก็ไม่มีอะไรในในในตัวร่างกายนี้มีแค่าการสาสิบสองไม่มีตัวตน ไม่สวยไม่งามโอเคเอาคจะได้รับคาตอบนะขอบคุณมากนะมีอะไรมากคุณนาหมดไหอยังหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคก็พอสมงคนใก้เวลาสาหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนอามาสิ่งที่ท่า น, นวินได้ฟังไปเพนิย์พจณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเถอ